อิตยายาสพปานินางปุรตวาปารมีสัมภาปโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนสัจจวัชเชนะโหตุเตชยามังคะลังชยันโตโพธิยามูเล สกยานาังนันทิวัตดนโนเอวังตะวังวิชยโยหีชยาสุชยามังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปทาวิปกคะเลอภิเซเกสาพพุทธานัง อาคาปโตปโมทตีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงมีพระมหาการณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีสามสิบทัศมาทุกประการแล้วเพื่อเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพระบรมศาสดาทรงบรลุพระสัมมาสัมพธิญาณอันสูงสุด ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอให้ท่านจงเป็นผู้มีชัยชนะในวาระแห่งชัยมงคลเหมือนดังที่พระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้ามิ่งขวัญแห่งชาวสกากยะทรงชนะมารที่ค้นต้นประสีมหาโพธิ์ทรงถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ในอัปราชิตบลาลังณพื้นที่อันเป็นจอมดินซึ่งเป็นที่อภิเษกแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยเถิน ขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายแนอกาสนี้ก็จะมาแนะนำในการประพฤติปฏิบัติแก่เราท่านทั้งหลายในการเจริญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการมาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะเรามาเจริญในเรื่องของอาณาปานสติในการเจริญอาณาปานสติเนี่ย ก็คือเป็นการเจริญสติทีนี้การเจริญสติเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวเขาไว้ว่าภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายเนี่ยภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหนะ้าเรือนว่างเนี่ยคือสถานที่ที่สงัดเนี่ยคือเสนาสนะเจ็ดอย่าง โดยเว้นป่าและโคนไม้ได้แก่อะไรหนึ่งภูเขาสองซอกเขาสามกระถ่สี่ป่าช้าห้ากระป่าชัดหกกระที่แจ้งเจ็ดกระรอมฟางนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ตรงนี้สถานที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าที่บอกว่าเมื่อไปสถานที่เรือนว่างแล้วก็นั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า และสถานที่อย่างที่เราอยู่เนี่ยจัดว่าเป็นอะไรดีใช่ภูเขาไหมไม่ใช่ใช่ซอกเขาไหมใช่ถ้ำไหมป่าช้าไม่ป่าช้าพราะจะจัดได้ไหมแล้วก็ป่าชัดที่แจ้งแล้วก็ลอมฟงังทั้หลแล้วสถานที่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถจะหาสถานที่ที่เป็น ธรรมชาติได้อย่างแท้จริงเนะตอนนี้พวกเราก็มาสร้างสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์ขึ้นมามาแทรกซ้อนอยู่บนโลกความจริงของธรรมชาติแม้เรามาสร้างอาคารเป็นเรือนว่างได้ไหมอย่างนี้เป็นเรือนล้างได้ไหมเป็นห้องประชุมและถ้าเราจะอยู่ในห้องประชุมโดยชนิดที่เราจะใช้ บรรยากาศธรรมชาติเลยคิดว่าอยู่กันไหวไหมไม่ต้องใช้แอร์ไหวไหม <c oughs> ไม่ไหวใช่ไห ม, มสรุปแล้วก็คือตอนนี้เราก็ได้มีวิทยาศาสตร์ระบบเทคโนโลยีมาช่วยทำให้บรรยากาศดูเหมือนว่าอุณหภูมิปรับอยู่ในระดับ 25-26 องศาใช่ไหมก็ดูเหมาะสมเออตรงนี้แหละ พระพุทธเจ้าก็แสดงบอกว่าเมื่อนั่งมาในสถานที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนั่งคู่บลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าไอ้คำว่านั่งคู่บรลังก็คือนั่งพับขาเข้าหากันทั้งสองข้างเรียกว่านั่งขัดสมาธิในมลยมนั่งเนี่ยเรียกนั่งขัดสมาธิอาถ้าหากคนที่อายุมากแล้วนั่งขัดสมาธิไม่ไหวทำยังไงนั่งเก้าอี้ไงใช่นั่งเก้าอี้ ตั้งกายตรงตั้งกายส่วนบนให้ตรงเพื่อให้กระดูกสลัง17ท่อนเออสิท่อนนะ่ะตั้งตรงส่งผลให้ไม่เกิดทุกขเวทนาของการดํารงของหนังเนื้อและเอ็นแล้วก็มีคำหนึ่งครับว่าดํารงสติไว้เฉพาะหน้าศัพท์นั้นก็หมายถึงตั้งสติมุ่งตรงต่อกรรมฐานเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก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 ใส่ใจศึกษาและปฏิบัติว่าเราจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงเนี่ยนะเบื้องต้นทำกลางและที่สุดหายใจออกนั้นคำว่าอัดสาสะปัดสาสะเนี่ยก็แปหายใจเข้าหายใจออกนี่พระเจ้าแสดงเกี่ยวในเรื่องอะไรเนี่ยในเรื่องการที่สอนให้มีมีอะไรเป็นกรรมฐานมีอะไร ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นเป็นกรรมฐานนี่เ็าเรียกว่ากรรมฐานนี่เรียกว่าอะไรนะอาณาปานาสติสมาธิอา้าวใครเคยเจริญมาแล้วยกมือหน่อยที่อยากดูหน่อยที่เคยเจริญอาณาปานาสติมาแล้วคำว่าเจริญมาแล้วเนี่ยเจริญแบบติดต่อและต่อเนื่องหนึ่งเดือนมีบ้างไหมติดต่อกันเลยหนึ่งเดือนเลยไม่เคยหยุดเลยเนี่ยได้สองได้สามคนแล้ว สองเดือนติดต่อกันทุกวันเลยสองเดือนสามเดือนจักเริ่มไม่ค่อยมีแล้วสี่เดือนมีไหมเออเมื่อเราเรียนวันนี้เรามาศึกษาในเรื่องของอาณาปณะสติเนี่ยคิดว่ามาศึกษาแล้วต่อไปเราจะทำให้ต่อเนื่องได้ไหม เอาใครที่มีกรรมฐานอื่นอยู่ที่บริหารกรรมฐานอื่นที่ไม่ใช่อนาปนาสติยกมือทีอ่ถ้าทำไงดีเนี้ยถ้ามาเรียนอนาปนาสติแล้วจะกลับมาใช้อนาปนาสติไหมอ้ามีไหมหรือยังจะใช้กรรมฐานเดิมอีกอยกมือที่ยังใช้กรรมฐานเดเดี๋ยวจะบอกจะให้เราเกิดความมั่นใจแล้วก็ชื่นใจ ว่าทำไมพระจึงมาสอนอาณาปานสติดีไหมเอ้าลองหน่อยลองนึกดูที่ว่าพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกรรมฐานอะไรอ้าใครตอบถูกนั้นพุทธเจ้าเนี่ยได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอาณาปานสติสรุปแล้วอาณาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของใคร เป็นกรรมฐานของใครเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงว่าถ้าเป็นของพรธเจ้าก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหม <c oughs> เป็นไม่เป็นอ่าเดี๋ยวบอกรายละเอียดหน่อยนะว่าเออเมื่อต้องการเนี่ยเนียโดยหลักโดยทั่วไปและวิธีปฏิบัติในการที่จะเจริญสมาธิในการที่จะเจริญสมาธิเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวบอกให้เราได้เกิดความชื่นใจว่าเออทำไมพระจึงเอาอาณาปานาสติสมาธิมาสอนมาอบรมมาขับเน้นในคำพีวิสุทธิมรรคเป็นหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่สรุปใจความในคำสอนของในพระไตรปิฎกไว้ทั้งหมด น, นจะกล่าวไว้ชัดเจนว่า อาณาปานสติสมาธิเป็นประธานของกรรมฐานทั้งพวงเป็นประธานเป็นประธานของกรรมฐานทั้งหมดฉะนั้นบุคคลที่จเจริญอาณาปานสติสมาธิประสบความสำเร็จแล้วเวลาจะไปเดินกรรมฐานอื่นง่ายหรือสะดวกง่ายหรือไม่ง่ายจะง่ายทั้งหมดเลย นี่คือความประเสริฐของการของการฝึกในเรื่องของอาณาปานสติทีนี้ในดำดากรรมฐานนนี้มีพุทธพจน์บอกนั้นแหละบอกว่าเพราะฉะนั้นแหละไอกรรมฐานในบรรดากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยนะบุคคลที่จะเป็นปัจจัยต่อการที่จะบรรลุปถมอ า, าชานทุติยาจฉริยะานจตุติยาจแล้วก็บรรลุอรูปฌริย กระทั่งสามารถเข้านิโรธาสมาบัติเป็นต้นได้ตรงนั้นมีพุทธพจน์เสริมว่าเพราะฉะนั้นแลหากภิกษุหวังว่าเราพึงบรรลุปฐมฌานหากหวังว่าเราจะบรรลุทุติยฌานปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งนะทุติยฌานคือฌานที่สองตติยฌานคือฌานที่สามจรตุถชฌานคือฌานที่สี่ หากภิกษุหวังว่าหากภิกษุณีหากอุบาสกและอุบาสิกาหวังหวังว่าเราจะบรรลุปถมฌานบรรลุทุติยฌานบรรลุตัตยฌานบรรลุจตุทัชฌานก็พึงมนานสิการอานาปานสติสมาธินี่แหลให้ดีเข้าใจคำนี้ไหมถ้าปรารถนาจะบรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ก็ให้มนานสิกาละคำว่ามนานสิการเข้าใจไหม ให้ใส่ใจให้เจริญให้กระทาให้มนศิการคือทำโยนิโสมนัสการคือการใส่ใจให้ถูกต้องใส่ใจให้ถูกวิธีใส่ใจให้ถูกทางใส่ใจถูกอุบายในการเจริญอาณาปานสตินี้ให้ดีเมื่อเธอทำแล้วจะประสบความสำเร็จที่จะสามารถทำให้ชาญนที่หนึ่งชานที่สชนที่3ามและชาญนที่4เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเธอได้อันนี้เป็นพุทธพจน์ใช่ไหม ใช่ไหมใช่เป็นพุทธพจน์ต้องการดูให้ไปดูในสังยุตมหาวาระในคำพีรสังยุตพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เมื่อเช้าอามาถามถามพวกเราว่าเชื่อพระพุทธเจ้าไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อเชื่อมากแค่ไหน เชื่อไหมบอกว่าถ้ามานสิการอานาปนสติดูลมให้ใจเข้าออกให้ติดต่อให้ต่อเนื่องแล้วจะบรรลุปฐมฌานเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ต้องทําให้ดีนะไม่ใช่การที่ถัวต้องจะบรรลุทุติยฌานตัติยฌานจะถุติยฌานเชื่อไหมเอาแหละแต่เนี้ยเชื่อแปลว่าเราเชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยตรัสหนึ่งไม่มีสองพพุทธเจ้าเนี่ย ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมาโกโหกพวกเราใช่ไหมนี่ลำดับแรกก็คือให้เกิดความเชื่อมัน่นถ้ามองอย่างนี้ใจใจะเห็นชัดบอกว่าเอาต่อไปนะบอกว่าหากภิกษุหวังว่าเราพึงก้าวล่วงนะจะตุท้ชาน ไปถึงอากาสานัญจายตนะก้าวล่วงไปถึงวิญญาณัญจายตนะก้าวล่วงไปถึงอากินจัญญยายัตนะหรือไปถึงเนวสัญญานาสัญญาัตนะหรือตลอดถึงก้าวล่วงไปถึงเนวสัญญาณาสัญญ า, าัตนะโดยประการทั้งปวงและเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ก็พึงมนานสิการและใส่ใจอาณาปานสติสมาธินี่แลให้ดีและให้มากนี่แปลว่าอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่อยู่แค่ฌานที่สี่แล้วสามารถที่จะพัฒนาต่อไปถึงอรูปฌานที่หนึ่งอรูปฌานที่สองอรูปฌานที่สาอรูปฌานที่สและไม่ใช่แค่นั้นหลังจากนั้นใช้ฐานของอาณาปานสติเนี่ยเดินวิปัสสนาญาณต่อเลย เดินวิปัสสนาญาณต่อไรไปตามลําดับตั้งแต่นามรูปปริเสถียรา น, นี่นะพิจารณาแยกรูปแยกนามเป็นต้นได้แล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของนามรูปยกนามรูปขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณาเป็นไปตามลําดับสามารถบรรลุปเป็นพระโสดาบันสากาธาคานาคาและเป็นพระละหันได้เพราะคนที่จะเข้านิโรธสมาบัติเป็นต้นได้จะต้องมีสองจำพวกคือพระนาคากับพระละหันสรุปแล้วถ้าใครปรารถนาจะเป็นพระโสดาบันต้องมานาสิการอะไรก่อน อาณาปณะสติปรารถนาจะเป็นพระสกาทาคามีจะต้องมานาสิการอะไรเป็นฐานอาณาปณะสติปรารถนาจะบรรลุปเป็นพาระนาคาปรารถนาจะบรรลุพระอาหารหันต์และปรารถนาที่จะเข้านิโรธสมาบัติก็ให้มานาสิการอาณาปณะสติสมาธินี่แหละให้ดีมานาสิการใส่ใจให้ถูกต้องใส่ใจให้ถูกทางให้ถูกวิธี สรุปแล้วอาณาปนาสติสมาธิใช้ได้ทั้งทางสมถาะาและวิปัสนาเขายายอย่างเป็นทั้งสมถาะาคือทําจิตให้สงบดิ่งเป็นฌานสมาบัติและใช้ได้ทั้งวิปัสนาเป็นฐานในการเดินวิปาาัสสนาญาณเป็นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาและบรรลุอริยมรรคอริยผลเป็นต้นด้วยเมื่อฟังพุทธพจน์อย่างนี้แล้วชื่นใจไหม ว่าเออเราได้มาเข้าคอสอานาปนสติสมาธิเนี่ยได้เป็นอัธยาศัยถึงแม้ไม่ได้บรรลุแต่ได้มาสร้างอะไรไว้สร้างเหตุปัจจัยไว้ได้เดินตามรอยใครเดินตามรอยบาทพระพระศาสดาเดินตามรอยเท้าของพ่อ เดินตามรอยเพาะรอยเท้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเออเราเป็นชาวพุทธเกิดมาแล้วไม่เสียอะไรไม่เสียอะไรไม่เสียชาติเกิดยังไงล่ะโอ้ยยิ่งทําไปเนี่ยเราก็จะเห็นล่องรอยของพ่อทําไว้เช่นล่องลอยของพ่อคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้ยจิตมันสงบอ๋อสมัยก่อน ที่พ่อคือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านฝึกใหม่ๆก็คงได้สงบอย่างนี้แหละเพราะยิ่งสงบไปสงบไปก็ยิ่ง ป, ปติโอ้โห ย, ยิ่งแนบแน่นไปเรื่อยเรื่อ ย, เ, อยเห็นไหมยิ่งเห็นล่องลอยไหมเห็นล่องลอยเห็นเส้นทางเห็นแนวทางเห็นทางดําเนินเห็นทางเสด็จพุทธดําเนินของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จิตสงบไปเรื่อยเรื่อ ย, เ, อยเป็นไปตามลําดับแล้วใช้ฐานของจิตที่สงบนั้นเดินวิปัสสนาญาณต่อทุกๆระดับเห็นรอยเท้าของพ่อแล้วชื่นใจไมหมล่ะ ชื่นใจโอ้โหเนี่ยอยากให้พวกเราเข้าไปสัมผัสแบบนี้เราได้เห็นร่องรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงได้เสพคุนทรงใช้สอยทรงบริโภคทรงเจริญกรรมฐานเหล่านี้เป็นไปตามลำดับเราในฐานะเป็นุทธบริษัทเสด็จเดินตามรอยเท้าพ่อปลอดภัยไหมปลอดภัยอบอุ่นไหมอบอุ่นด้วยชื่นใจด้วย โอ้ย oh, เป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนอเราได้ดีแล้วหนอที่เราได้เสด็จดำเดินเราได้เสด็จตามลอยเท้าเดินตามรอยบาทพระศ า, าสดาปลอดภัยไร้กังวลไม่มีสิ่งใดๆทั้งหลายมาเป็นอุปสรรคอีกต่อไปแล้วนี่เขาเรียกมั่นใจมั่นใจในกรรมฐานที่พ่อให้ไว้ฟังแค่นี้พอจะอุ่นใจได้ออยังอาทําให้อุ่นใจดูต่อดีไหม จะได้เป็นเครื่องมั่นใจว่าโอ้เนี่ยเราเข้ามาสู่กรรมฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกกล่าวไว้เนี่ยทีนี้เอาละนี่เป็นวิธีการเจริญสมาธิเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากและส น, สนับสนุนนะให้พุทธบริษัทนั้นให้ปฏิบัติตามและพระพุทธองค์เองก็ลงใช้เป็นวิหาราธรรมด้วย ก่อนตัดสรู้พุทธเจ้ากน็นี้แหละเจริญอาณาปณสติหลังจากตัดสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วพพุทธเจ้าก็เจริญอะไรอาณาปณสติอ้าวลองไปดูในวินัยปิดกพุทธเจ้ากล่าวไว้นะภิกษุทั้งหลายอาณาปณสติสมาธินี่แหละเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประนีสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และยังบาปอากุศลธรรมอันชั่วลายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วให้อันตรธานไปโดยพันเปรียบเสมือนฝนใหญ่ท้ายฤดูร้อนยังฝุ่นละอองที่ยังฝุ่นละอองที่พุ่งขึ้นในช่วงฤดูร้อนเนี่ยอันตราธานสงบไปโดยพันฉั้นนั้นนี่แปลว่าอะไรเนี่ยฉะนั้นอาณาปานาสติสมาธิจจเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วคําว่าจเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วทํายังไงยมเข้าใจไหม จเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วคือฝึกใช้มนสิการคือใส่ใจใช้สติระลึกดูลมหายใจเข้าแล้วออกในขณะที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยไม่ปล่อยให้ลมหายใจนั้นมันสักแต่ว่าหายใจทิง้งแต่มีสติกํากับจับอยู่ที่ลมเข้าและลมออกตลอดเวลาลักษณะนี้เ็าเรียกว่าจเจริญแล้วก็ทาให้มาก ไม่มีกิจอย่างอื่นมากแต่มีกิจในการกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกมากกว่ากิจอื่นใครทํางานบริษัทยกมือที่ทำงานที่ทํางานบริษัทใครทํางานราชการทํางานบริษัทนี่ทําวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่ชั่วโมงเขาให้ทําวันละกี่ชั่วโมงแปด งานราชการก็อยู่ประมาณนั้นแหละแปดชั่วโมงมากไหมแปดชั่วโมงเนี่ยเอาต่อไปตั้งใจได้ไหมว่าแปดชั่วโมงเราจะมาทำงานในการดูลมให้ใจเข้าออกไห <c oughs> วไหมเอาวันละแปดชั่วโมงไหวไหมวันละแปดชั่วโมงฉันจะทำกิจในการดูลมถ้าใครจะมาเรียกเราบอกอย่ายุ่งนะฉันกาลังทำงานของฉันอยู่ฉันกำลังจะดูลมเข้าลมออก ดีไหมฉะนั้นอาณาปานสติจเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วจยเป็นสภาพที่สงบประนีตก็แปลว่าสดชื่นฉะนั้นไม่ต้องปรุงแต่งรสเวลายิ่งทําแล้วจะยิ่งสงบจิตจะยิ่งสงบไปเรื่อยและจะเกิดความประนีตและสดชื่นด้วยฉะนั้นจะเป็นจะมีโอชามากยอมเคยกินอาหารที่อร่อยที่สุดหม อาณาปานสติจะมีรสชาติที่อเ็จอร่อยมากกว่านั้นอีกหลายล้านเท่านคนเจริญอาณาปานสติจะมีความสุขมากสดชื่นมากสงบมากประณีตมากละเอียดมากเอางี้เออยมเคยเห็นยมเข้าใจคำว่าผ้าเนี่ย ก็เห็นผ้าที่ก็ผูกไว้กับหน้าต่างไหมที่มีเชือกผูกเข้าไว้เวลามีเชือกผูกเข้าไว้เนี่ยเนี่ยผ้าที่มีเชือกผูกเข้าไว้เนี่ยเวลาลมพัดต้องเนี่ยถ้าเชือกมัดดีๆแล้วมันจะหลุดไหมแต่มันกระเพื่อมไหมผ้ามันจะกระเพื่อมตลอดใช่ไหมเมื่อลมพัดต้องฉะนั้นเหตุผลที่ผ้าไม่หลุดลอยออกจากไปนะ้นสถานที่ตรงนั้นได้เพราะอะไรเพราะมีอะไรมัดอยู่เชือก นี่ก็เหมือนกันใหม่ๆเวลาฝึกอานาปานาสติสมาธิเนี่ยจิตมันจะพยายามซัสดสายแต่มันก็ไม่ไปทางอื่นเพราะอะไรเพราะเรามีอะไรมัดไว้ผูกไว้มีอะไรจับไว้มีสติจับไว้กำกับจิตไว้ให้อยู่กับอะไรให้อยู่กับลมตลอดเวลาเห็นไหมการที่จิตเนี่ยถูกสติกำกับอยู่ให้อยู่กับลมอยู่ตลอดเวลา จิตก็เลยไม่ไปทางอื่นแต่ไหวไหมจิตไหวหรือไม่ไหวไม่จิตจะไหวไอ้จิตที่ไหวในขณะนั้นบ่งบอกว่าจิตยังไม่นิ่งเหตุผลที่ไม่นิ่งเพราะตอนนั้นสมาธิยังไม่มีกำลังแต่สติยังผูกไว้อยู่กํากับไว้ดูกะกากับไว้จับไว้แต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถึงจะไหวขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัว งั้นอย่า ก, กลัวในกรณีที่เรากำลังเจริญหรือฝึกใหม่ๆเนี่ยอย่า ก, กลัวในการที่จิตมันวิ่งไปวิ่งมายังไงเราผูกไว้เหมือนเชือกที่ผูกไว้ที่ขอบหน้าต่างลมพัดต้องขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใช่ไหมที่อยู่ต่อมาเมื่อถึงวาระที่ลมสงบนิ่งแล้วเออขอไปตอนที่ผ้าถูกลมพัดต้องไหวไวๆนั้นถ้าผ้าผืนนั้นมันมีรายละเอียดยิบ เป็นลายไทยก็ดีเป็นลายละเอียดก็ดีเนะี่ยเราจะสามารถมองเห็นไหมเห็นไม่เห็นมองเห็นลายเล็กๆไหมในขณะที่ผ้าไหวอยู่เห็นไม่เห็นยอมใช่ น, นึกตามเลยนะเวลามาพูดเนี่ยเดี๋ยวมาก็พูดอยู่คนเดียวสิใช่เดี๋ยงั้นเดี๋ยวมาให้ยมมานั่งพูดเดี๋ยวมาไปนั่งฟังนะเอาไหมถ้าพูดไม่ถูกเาีมาจะท้วงระยะระยะเนะ นั้นผ้ามันก็ไหวผ้ามันไหวพัดตอนนั้นเราจะสามารถมองเห็นลายผ้าเล็กๆเป็นลายไทยเป็นต้นได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผ้ามันไหวมันไม่นิ่งแต่พออยู่ต่อมาเชือกเรามัดไว้ดีนั่นแหละพอค่อยๆลมมันหมดลมไม่พัดต้องแล้วมันนิ่งลมมันนิ่งผ้าหยุดไหวไหม พอผ้าหยุดไหวถ้าเรามองไปใหม่เราจะสามารถถ้าแสงสว่างมันพอเราจะสามารถมองเห็นลายผ้าทุกชิ้นส่วนได้ไหมมองเห็นชัดหรือไม่ชัดจะมองเห็นชัดแม้ฉันใดสติในขณะที่กําหนดลมหายใจเข้าออกใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนกับผ้าที่ต้องลงมันจะมองเห็นอะไรไม่ชัดแต่เมื่อสติทํางานมากขึ้นกํากับมากขึ้น ระลึกมากขึ้นจับอารมณ์นั้นได้ต่อเนื่องมากขึ้นก็จะอุปการละต่อสมาธิคือความแน่วแน่คือความตั้งใจตั้งมั่นเมื่อสมาธิเข้ามาเด่นขึ้นเด่นขึ้นเหมือนลมค่อยๆสงบไปเมื่อลมนั้นค่อยๆสงบไปนั้นผ้าก็อยู่นิ่งแสงสว่างก็เพียงพอนี่ก็เหมือนกันเมื่อภาวะจิตนั้นเกิดแน่วแน่เหมือนเทียนเน่ยจุดไว้ในที่อับลมแม้เทียนก็จะไม่มีลมพัดต้องเลย นิ่งด้วยแล้วก็ไม่อย่างสงบเรียบเป็นไปตามลำดับงนั้นถ้าจิตเข้าถึงภาวะตรงนั้นเมื่อไหร่ที่มีสมาธิมีกำลังปุ๊บจะมองเห็นรายละเอียดอะไรได้ชัดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมาทิงพิขเวบาเวถาสมาัยโตยาถาภูตังประชานาติบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย <c oughs> เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัด ทุกตามความเป็นจริงเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกและข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกตามความเป็นจริงสรุปก็คือเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะเห็นรายละเอียดของรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปเห็นตามใจที่เราอยากให้มันเป็นนะมันจะไปเห็นตามตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นมันเป็นอย่างไรก็จะเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างนั้น สรุแล้วถ้าจิตไม่นิ่งมันจะเห็นอะไรชัดไหมไม่ชัดเอาเดี๋ยวดูต่อไปพระพุทธเจ้าตรัส ต, ต่อไปบอกว่า <c oughs> เปรียบเสมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูการย่างฝนุนละอองที่พุ่งขึ้นในท้ายฤดูร้อนเนี่ยอันตรทานสงบไปโดยพรันฉันนั้นฉะนั้นการเจริญอาณาปณะสติเหมือนฝนหาใหญ่ที่ตกในฤดูร้อน แื่อดูร้อนมีฝุ่นเยอะไหมแต่เวลาฝนหาใหญ่ตกลงมาเนี่ยฝุ่นละอองจะสงบระงับไหมนี่ก็เหมือนกันฝุ่นละอองนั้นหมายถึงกิเลสที่กุมรุมในใจท่านทั้งหลายตอนนี้การมาฉันท่าความติดใจใยกสันกุมรุมอยู่ไหมพยาบาทความโกรธความหงุดหงิดกุมรุมอยู่ไหทีนมีท่าความหดหู่ท้อถอยกุมรุมไหม อุทะจักกุกุจักความฟุ้งซ่านลาคาญใจกุ้มรุมหรือไม่วิจิกิจฉาความลังเลส ง, สงสัยความไม่มั่นใจไม่รู้จะปฏิบัติก็ยังห่วงกามจะไปหากามก็อยากมาปฏิบัติอยู่เนี่ยมันยังเดินทางสองแพ่งอยู่เนี่ยตรงนี้ยังกุ้มรุมอยู่ไหมตรงนี้ไม่สงบระงับเพราะเพราะไม่ได้เจริญอาณาปานาสติสมาธิถ้าเจริญอาณาปานาสติสมาธิอย่างติดต่อและต่อเนื่องกิเลสเหล่านี้จะสงบหรือไม่สงบ สงบระ ง, งับเพิกสูทั้งหลายเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องอีกสูตรหนึ่งนะพึ่งกล่าวถึงอาณาปานสติสมาธิว่าเป็นอริยวิหารเข้าใจคําว่าอริยวิหารไหมแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะแปลว่าธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะฉะนั้นพระอริยะเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ อาณาปานาสติเป็นเครื่องอยู่นี่เป็นอริยวิหารก็ได้เป็นตถาคตวิหารแปลว่าอะไรตถาคตวิหารวิหารแปลว่าเครื่องอยู่แปลวเป็นธรรมอะไรธรรมเครื่องอยู่ของใครธรรมเครื่องอยู่ของพระตถาคต ค, คือธรรมเครื่องอยู่ของพระพุทธเจา้าเป็นพรห ม, มวิหารแปลว่าอะไร ทำเครื่องอยู่ของใครทำเครื่องอยู่ของพรหมพรหมในที่นั้นแปลว่าพรหมจริยาแปลผู้ประพฤติอันประเสริฐสรุปแล้วอาณาปานาสติสมาธิเป็นวิหารธรรมของใครบ้างเป็นธรรมเครื่องอยู่ของใครบ้างหนึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะ 2. เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าสเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรหมผู้ประพฤติอันประเสริฐตอนนี้เรามีอะไรเป็นเครื่องอยู่ อ้าเราอยู่กันเนี่ยเรามีอะไรเป็นเครื่องอยู่มีธรรมะอะไรเป็นเครื่องอยู่มีอาณาปณะเป็นเป็นวิหารไหมมีไม่มีเนี่ยจริงหรือเราก็มีอียบทไงอียบทวิหารมีเอียบทยืนบ้างอียบวเดินบ้างอียบวนั่งบ้างอียบทนอนบ้างใช่ไหมตอนนี้เราสามารถกล่าวยืนยันได้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นมีธรรมเป็นเครื่องมีอาณาปณะเป็นเครื่องอยู่แล้วได้ไม่ได้ อา้าลองช่วยอยู่ในอาณาปานาสติคนละสามชั่วโมงอา้าห้ามคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดถึงลมอย่างเดียวได้ไหมสอชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีห้ามแว บ, บคิดเรื่องอื่นเลยนะอธิษฐานอยู่กับลมก็อยู่กับลมนั่นแหละได้ไม่ได้ได้ไหมสิบห้านาทีได้ไหมสิบนาที ห้านาทีโอ้โหสัก5้านาทีก็ไม่ได้เครื่องอยู่กันเขาเลยเนี่ยโอ้โหยงั้นต่อไปฝึกให้ได้นะเหตุผลทำไมเราจึงไม่มีวิหารธรรมคืออาณาปานสติเป็นเครื่องอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราฝึกน้อยไปให้ลองนึกดูที่ว่าชีวิตเราเกิดมากันกี่ขวบแล้ว กี่ขวบแล้วยอมกี่ขวบไปให้นึกในใจกี่ขวบนะให้นึกดูที่ว่าอะไรหนอเป็นสิ่งที่เราคิดถึงมากที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดถึงอะไรมากที่สุดเคยคิดถึงลมไหมวันนี้เป็นวิหารธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิหารธรรมของพระอริยะทั้งหลายเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระพรหมทั้งหลายเป็นต้น ของผู้ประเสด็จทั้งหลายฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องเนะี่ยอานาปานาสติสมาธิเป็นอริยเวหารทำเครื่องอยู่ของภริยะก็ได้เป็นพรหมวิหารทำเครื่องอยู่ของพรหมก็ไ ด, เเได้เป็นตถาคตวิหารทำเครื่องอยู่ของปตัตถาคตก็ได้ภิกษุเราได้เป็นเสกขะบุคคลใดยังเป็นเสขะอยู่คือกําลังศึกษาอยู่ใครคือเสขะบุคคล ใครคือบุคคลที่กําลังศึกษาใครคือบุคคลที่กําลังศึกษาหนึ่งพระโสดาบันสองพระสกท า, าคามีสมพระนาคามีใครศึกษาจบแล้วพระรหันเอ้าพวกเรากําลังศึกษาอยู่หรือเปล่าหรือจะศึกษาจะศึกษาแต่พุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้นะถ้าใครเป็นกาลยาณนบะุรุชน ศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างท่องแท้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและกำลังภาพเพียร พ, พยายามในการฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ท่านผู้นั้นจัดเข้าในเสขาบุคคลกำลังศึกษาได้เอา้าเราอยากจะเป็นประเภทนี้ไหมใครอยากเป็นผู้ที่กำลังศึกษายกมือทีกำลังศึกษาศึกษาในที่นั้นศึกษาเป็นชื่อของอะไร ศึกษาเป็นชื่อของอะไรเศกขาเศกขาศึกษาเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญางนั้นบุคคลที่กำลังเจริญฝึกฝนเจริญศีลสมาธิปัญญาอยู่อย่างติดต่อและต่อเนื่องแปลว่าคนนั้นกำลังศึกษาอยู่ใช่ไหมก็เรียกว่าเศขะกำลังศึกษาอยู่สรุปแล้วเราอยากจะเป็นเศกขาบุคคลมอยากจะเป็นคนที่กาลังศึกษาหรือว่าจะศึกษา อายุเท่าไหรแล้วมจะจะจะอยู่เนี่ยอายุเท่าไรแล้ ว, ว, าจจาาาลวถามลมหายใจที่ว่าจะอยู่กับเราได้กี่กวันตกลงเราจะศึกษาหรือกำลังศึกษาจริงไม่จริงบอกพระแล้วห้ามกลับคำนะกำลังศึกษาจริงไหะ อ่าตอนนี้ศึกตอนนี้กำลังเจริญอะไรตอนนี้ขณะที่ฟังนี่เจริญอะไรอ่ะตอนนี้กำลังเจริญตอนนี้ศรัธทธาเกิดไหมเอาศรัธทธากับความไม่มีศรัธทธาไหนเกิดมากกว่ากันความเพียรกับเกียรติค้านอะไรเกิดมากกว่ากันสติกับการหลงลืมสติอะไรเกิดมากกว่ากันสมาธิกับความฟุ้งซ่านอะไรเกิดมากกว่ากัน ปัญญากับความหลงอะไรเกิดมากกว่ากันทำไมพูดขนาดนั้น้มั่นใจขนาดนั้นเลยเลยเรานี่มั่นใจกันขนาดนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยพูดแบบไม่เกรงใจพระที่พูดเลย <c oughs> จริงๆ <c oughs> เกิดอย่างนั้นจริงเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเนะี่ยบเดี๋ยวมาต้องค่อยๆถอยห่างพวกเราแล้วนี่ย สรุปแล้วตอนนี้เรากําลังงั้นศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญากําลังเกิดกับท่านผู้ใดท่านผู้นั้นแปลว่ากําลังกําลังอะไรกําลังศึกษากําลังฝึกฝนกําลังภาคเพียรพัฒนาศักยภาพออกระแสธรรมะขอตนกระแสธรรมะให้เข้าสู่ในกระแสของชีวิตฝึกที่จะทําให้เกิดขึ้นนี่จัดโดยสงเคราะห์ จัดโดยอนุโลมลองถามความรู้สึกเราจริงๆนะแล้วปรารถนาอยากจะเป็นพระโสดาบันไหมอยากจะเป็นพระอริยะไหมจริงนะกลับไปนัก้าไปบอกคนทุกคนเลยไหมเวลาคนจะมาชวนเราในทางที่ไปดูหนังดูละครไปเที่ยวห้างอย่าชวนฉันได้ไหมฉันกําลังจะฝึกตนเองเพื่อจะเป็นพระอริยะอ่ะ กล้า ไ, ไหมกล้าพูดคำนี้ไหมเวลาเวลาจะโกรธล้วก็อีฉันโกรธไม่ได้เพราะฉันกำลังจะฝึกตัวเองจากปุถุชนความเป็นเข้าสู่ความเป็นอริยะอย่างี้ใช่ไหมเราต้องการฝึกตัวเองแบบนี้จริงๆใช่ไหมล่ะกลับไปบ้านเนี่ยเราจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะแต่ก่อนจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นหายไปไหมพอกลับไปเนี่ยสามีก็ดี เพื่อนก็ดีลูกก็ดีปู่ตายายายเห็นตกใจเป็นแถวเป็นแนวเลยตกใจว่าเอ๊ะทำไมยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมล่ะทำอย่างนี้ได้ไหมจิตใจเบิกบานล่าเลิงยิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธไม่เครียดแล้วก็ขยันทำกิจการทั้งปวง <c oughs> เป็นอย่างนี้ว่าเอาแล้วต้องการฝึกตัวเองเป็น จากกุฎุชนกสู่ความเป็นอริยะก็ต้องเอาธรรมะของอริยะทั้งหลายนะมาฝึกฝนพัฒน า, นาตนเองใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุใด ย, ยังเป็นเศกขะยังไม่บรรลุอริยผลปราถนาภาวะที่ปลอดปร่งโล่งใจปราถนาจะหมดกิเลสปราถนาจะเข้าถึงความบริสุทธิ์อันยอดเยี่ยม อาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายโอ้โหน่าเชื่อนจไ่ไหมล่ะเนี่ยเราต้องการอยากจะเป็นพระโสดาบันอยากจะเป็นพระสกท า, าคาอยากจะเป็นผ้านาคาและปรารถนาจะเป็นพระทหารก็ให้เจริญนี่แหละอาณาปานสติสมาธินี่แหละ เมื่อจเจริญแล้วจะสามารถเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนทําให้ตนเองเนี่ยกระแสะชีวิตตนเองปลอดโปร่งโล่งอ่ะจากกิเลสราคะเนี่ยเพราะเป็นอาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุจเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายอาสวะมีเท่าไหร่อะกามาสวะอาสวะคือกามอ่ะกิเลสกามวัตถุกามเนี่ยที่ติดคลองวัตถุกามภ า, า, าวาสวะ อาสวะคือกิเลส ท, ที่ไปติดข้องในภพติดข้องในขันทิฏฐานสวะอาสวะคือความเห็นผิดอวิชชาสวะอาสวะคือความมืดบอดคือความหลงความโง่ความไม่เข้าใจฉะนั้นเราปรารถนาจะปลอดปลงโล่งจากอาสวะเหล่านี้ไหมปรารถนาจะกาจัดอาสวะเหล่านี้ไหมถ้าปรารถนาพุทธเจ้าสอนให้เจริญอะไร อาณ า, าปานาสติที่พิกษุจเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วที่พิกษุนี้จเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วที่อุบาสกจเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วที่อุบาสิกาเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปของกามาสวะภวาสวะทิฐาสวะและอวิชชาสวะอยากหมดอาสวะในกระแสขันไม่เลิกก็ให้จเจริญอะไรนี่ใครสั่งมาใครสั่งใครบอกพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกไว้ในไหน บอกไว้ในไหนในวินยัยพิดกเชื่อไหมแล้วต่อไปอยากจะเจริญอาณาปณสติก่อนหรือเจริญกรรมฐานอื่นก่อนงั้นทับกรรมฐานอื่นก่อนได้ไหมเอากรรมฐานนี้ขึ้นมาบริหารก่อนแล้วต่อไปเมื่อกรรมฐานนี้บริบูรณ์หรือสำเร็จกรรมฐานนี้เมื่ อ, อไหร่แล้วก็ต่อกรรมฐานอื่นง่ายหมดเลยตอเนี้ยดีไม่ดี เข้าใจยังเดนเนียเอา้าถ้ายังไม่เชื่ออีกเอาดูพรธเจ้าพูดต่อไปอีกเอาไหมเ <c oughs> ชื่อหรือยังเอาใครเชื่ อ, อยังยกมือที่เอาเชื่อแล้วยกมือที่เอาใครไม่เชื่ อ, อ ย, ยกมือก่อนว่าฉันจะเจริญกรรมาฐานเดิมไปก่อน <c oughs> อาเดีดูต่ออาณาปานสติ <c oughs> นะถ้าใครปรารถนาท่านบอกว่าที่จะบรรลุเป็นพระละหันเป็นต้นต่งางๆอานาปานสติที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายส่วนภิกษุเหล่าใดอันนี้จบกิจพวกเราแล้วนะแปลว่าเออถ้าเสกขาเนี่ยนับปุถุชนด้วยที่เป็นกัลยาณ์ปุถุชนที่ฝักใฝ่ศึกษาคําสอนนับพระโสดาบันได้ไหม นับัสกาทาคาพระนาคาสรุปและ พ, พระภระรยาสามยมพวกแล้วก็บุตรชนที่ศึกษาฝึกฝนตัวเองเต็มที่ก็จัดเข้าในนั้นด้วยแปลว่าถ้าปรารถนาที่จะทําลายอาสวะกิเิตให้หมดสิ้นจากกมลสันดานพุทธเจ้าบอกให้เจริญอานาปานสติสมาธิจะเป็นปัจจัยตอความสิ้นอาสวะเหล่านี้ได้โดยไม่ยากทีนี้เอาละสําหรับบุคคลที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วส่วนภิกษุเหาใด นะบริษัทพุทธบริษัทคนใดเป็นผ้าละหันสิ้นอาสวะแล้วอาณาปานาสติสมาธิที่บุคคลภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันโอเห็นไหมเนี่ยดีไม่ดีปรารถนาอยู่ที่เป็นสุขในปัจจุบันเขาเข้าอะไรกันเข้ากรรมฐานอะไรอาณาปานาสติสมาธิเป็นทิฏฐาธรรมสุขวิหารและเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ทำไมอาณาปณะสติจึงเป็ยนไปเพื่อสติสามัญญารู้ไหมตอบได้ไม้มอาณาปณะสติยิ่งเจริญยิ่งละเอียดปะณีตหรือไม่ปะณีตยิ่งยิ่งปัญีตไหมละเอียดไหมสงบไหมสดชื่นไหมฉะนั้นเมื่อยิ่งละเอียดจะต้องสติจะต้องมีกำลังมากขึ้นหรือไม่ปัญญาต้องมีกำลังมากขึ้นใช่ไหม เหมือนเรามองลายผ้าที่ละเอียดต้องใช้ความตั้งใจมองอย่างมากใช่ไหมต้องใช้ความตั้งใจมองมากจึงจะสามารถและเก็บรายละเอียดในลายผ้านั้นได้และไม่ใช่แค่นั้นนะคนที่มีได้แล้วก็มีเข็มไอ้ลูเข็มที่เล็กต้องใช้ได้ที่เล็กไหมแล้วว่าร้อยลูเข็ม ต้องใช้ความละเอียดอ่อนใช้สมาธิค่อนข้างดีไหมฉันใดฉะนั้นคนที่เจริญอาณาปณสติเนี่ยนอกจากจะได้ความสุขในปัจจุบันหมายถึงพาาระอรหันต์ท่านแล้วเนี่ยท่านจะเพิ่มอะไรท่านสติจะเพิ่มขึ้นไหมจะมีกําลังมากขึ้นปัญญาคือสัมปชัญญะก็จะมีพลังมากขึ้นฉะนั้นอาณาปาณสติสมาธิที่ภิกษุเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วเนี่ยย่อมเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมเป็นธรรมเครื่องเป็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วย และเป็นไปเพื่ออบรมและเจริญทำให้สติและสมาธิมีกำลังยังมากขึ้นละเอียดถี่ยิบมากขึ้นฉะนั้นถ้าใครปรารถนาจะมีความสุขในปัจจุบันปรารถนาจะมีกำลังของสติและสมาธินั้นมีกำลังมากก็ให้เจริญอาณาปณะสติสมาธินี่แหละให้มากใส่ใจในอาณาปณะสติสมาธินี่แหละให้มากแล้วจะประสบความสาเร็จแล้วจะประสบความสุขแล้วสติสรมชั ญ, ญจะมีกาลังมากขึ้นยอมข้างหลังวังทันไหม ทันหรือเปล่าเอามาพูดเร็วไปไหมไม่เร็วนะอะย้อยมที่นั่งหลับข้างหลังฟังทำไหมเออดฟังทันหรือเปล่าทันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่มีวัางนะมือมามองเห็นเห็นนั่งสปปะพังกอยู่นะึกว่ายมนั่งหลับเอ๊สปปะสะพังก์นี่นั่งพยักหน้าเห็นดีด้วยหรือหลับเอาอีกข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเรื่องอาณาปานสติโดยเฉพาะเราจะได้เกิดความมั่นใจเนาะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดังที่เป็นมาเรานั้นก่อนสัมโพธิเมื่อยังไม่ได้ตัสรู้เข้าใจว่าก่อนสัมโพธิย่อมสัมโพธิเป็นชื่อของอะไรถ้าตอบไม่ได้เนี่ยมาจะลงโทษให้พวกเรานั่งกรรมฐานเอวไม่ไดเขาไม่เรียกนั่นนะลงโทษหรอกถ้าตอบไม่ได้อาตมาจะไม่ให้นั่งกรรมฐานเพราะการไม่ได้นั่งกรรมฐานแปลว่าถูกลงโทษใช่ไหมถ้าการเจริญกรรมฐานแปลว่าอะไร คนที่โชคดีที่สุดคือคนเจริญกรรมาฐานคนกําลังได้รับรางวัลสมโพธิแปลว่าอะไรสัมโพธิแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรโอ้โหมาพูดมาตั้งนานมาก็เหนื่อยนะเน่ยสองวันมาแล้วเนี่ยยอมมานั่งกันตั้งเป็นร้อยคนยอมน่าจะตั้งร้อยความร้อยความทรงจําน่าจะจําได้สักคนอนะ่ะสำโพธิแปลว่าอะไร ยอมจอะทำท่างงที่ย่อมมางงใหญ่เลยหรือเปล่าพุทเจ้าบอกว่าครบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้นเนี่ยเอามากลัวมากยังเวเสวติตาที่โสพุทเจ้าครับครบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นถ้าครบคนงงงเดี๋ยวจะงงงงถ้าครบคนคิดไม่ค่อยออกไปเสวนาไปเสพคุณกับคนคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกเราก็จะกลายเป็นคนคิดที่ไม่ค่อยออกด้วยใชนไหมาเราเอา ม, มามาครบกับพวกเราเดี่ย ม, มาต้องตั้งใจอย่างมากเลย กลัวความรู้ที่มีอยู่ความเข้าใจที่มีอยู่จะยอมดูดหายไปหมดแล้วยุ่งเลยจะมาครอบคนเช่นไรก็เ ด, ดเป็นเช่นนั้นกันมาุ่งสรุปแล้วสามโพธิเป็นชื่อของเป็นชื่อเอาอะไรนะใครว่าเป็นชื่อของพระพุทธเจ้ายกมือทีมีแค่นี้แล้วเป็นชื่อของอะไรอ้าถามจริงจนะใครไม่เข้าใจบางยกมือที ยกมาเธอไม่เป็นไรหรอกสำโพธิเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาเป็นเป็นชื่อของปัญญาตัดสรู้ความจริงนะเป็นชื่อของปัญญานะสยมโพธิ์โพธิเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่สามารถแทงตลอดสัจจาสี่พุทธเจ้าบอกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายดังที่เป็นมาเรานั้นก่อนสมโพธิ แปลว่าอะไรก่อนที่จะได้ปัญญาตัสรุสัจจะสีเห็นไมถ้าหากยอมทำสมโพธิเนี่ยนะทำสมโพธิเนี่ยให้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าทำให้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยยอมจะได้นามว่าอะไรถ้าทำสมโพธิตามพระพุทธเจ้าก็ได้นามว่าอะไร ก็ได้นามว่าอนุพุทธะตัดสรู้ตามก็ก็เป็นพุทธะนั่นเองตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นพุทธะเพราะเรายังไม่ได้ตัดสรู้สัจจะสี่ใช่ไหมนี่พุทธะมีกี่อย่างอ่ะโอ้โหยกมือให้ดูแล้วก็ไม่ดูอีกเดี๋ยวหาหามาบอกใบให้หวหยยอะๆสามไม่รู้อีกคืออะไร อ้าพุทธามีเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งคืออะไรอนุพุทธะหรือสาวากะพุทธะสองปัจเจกพุทธะสามสัมมาสัมพุทธะนั้นพุทธามีสามประเภทเราอยากเป็นประเภทไหนสาวากสพุทธะอนุพุทธะก็ยังจะไม่รอดอยู่แล้วอ่ะนี่ใช่ไหมสรุปแล้วก็คือเป็น สาวกหรืออนุพุท ธ, ธะใช่ไหมแปลว่าตัดสรุตามใช่ไหมคำว่าสาวกะาพุท ธ, ธะแปลว่าอะไรโยมรู้ไมตัดสรุเพราะได้ฟังคำสอนจากพทธเจ้าหรือจากสาวกพทธเจ้าเขาแปลผู้ฟังคือฟังแล้วเอาไปปฏิบัติจนได้ตัดสรุ้อ่ะเขาเรียกสาวกอย่างพวกเราเนี่ยเป็นได้อย่างเราตอนนี้ฟังไหมฟังดีหรือไม่ดี ฟังด้วยดีถึงจะได้อะไรได้ปัญญาถ้าฟังไม่ดีจะได้สในปัญญาสัมโพธิเกิดขึ้นไหมถ้าฟังไม่ดีฟังยังไงอ่ะลองทำท่าฟังไม่ดีโดยที่เยอมมันเป็นยังไงไอ้คาว่าฟังไม่ดีเนี่ยฟังไปหงุดหงิดไปฟังไปฟุ่งสร้างไปฟังไปคิดถึงคนน่้นคนนี้ไป ฟังเล่นๆไปฟังไปก็ปวดตรงนั้นเมื่อยตรงนี้บีบเส้นนู้นอ่านหนังสือไปอะไรเงี้ยฟังรักนี้อย่างนี้ก็เรียกฟังดีหรือไม่ดีอย่างนี้จะได้ปัญญาไหมได้อะไรแทนเนาะได้ความฟุ้งซ่านบ้างได้ความเกียดค้านบ้างใช่ไหมได้ความลังเลสงสัยบ้างยันสาวกาจริงๆก็แปลวผู้ฟังแต่ต้องฟังแล้วได้ตัดสรุปฟังแล้วได้ตัดสรุปตามแล้วปรารถนาจะเป็นแบบนี้ไหม ศานาเป็นแบบนี้ไหมหรือไม่เอาเอาใครจะเอาแบบสาวกสาวพุทธะหรืออนุพุทธะยกมือที่ที่ไม่ยกระวังไว้นะเธอดงว่าจะเอาอีกสองอย่างเนี่ยใครต้องการจะเป็นปัจเจกับพุทธะตัดสรุ้เองโดยไม่ต้องฟังใครอ่ะโดยไม่ต้องฟังใครเอายกมือที่ตัดสรุ้เองไปคิดเองจนรู้อ่ะแต่ไม่สอนคนอื่นกลุ่มนี้เรียกปัจเจกพุทธะ ใครต้องการอยากจะเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะตัดสรู้เองด้วยแล้วก็ประกาศบอกคนอื่นให้ตัดสรู้ตามได้ด้วยเอายกมือทีหาธรรยาหยอดตาไม่ได้เลยเอาสักคนดิสรุปแล้วอา้าใครต้องการเป็นสาวากสาพุท ธ, ธะยกมือใหม่ทีไม่ต้องอายเรายอมยกเลยว่าจะต้องเป็นจริงๆยั ง, ง, งมั้ยสาวากสาพุท ธ, ธะเลือนุพุท ธ, ธะ อย่างเราก็ปรารถนาอย่างนั้นใช่ไหมฉะนั้นคําว่าสัมโพธิเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาพระพเจ้าบอกพระองค์บอกเองนะว่าก่อนเรานั้นก่อนสัมโพธิยังไม่ได้ตัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่โอ้โหพระเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์มาหลายชาติไหมเอา้าที่ตรัสไว้ในชาดกทั้งหมดกี่ชาติเอาใครว่าสิบชาติยกมือ อะไรพระเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีแค่สิบชาติเองโอ้โหถ้างั้นทุกคนก็ปรารถนากันได้หมดเลยเนี่ยชาดกทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่บำเพ็ญบา ร, รมีห้าร้อยห้าสิบชาติแต่พวกเราได้อ่านสิบชาติตรงที่สิบชาติไม่จบจำชื่อไม่ได้ด้วยงงๆอยู่นี่ว่าชาติไหนบ้างใช่ั้ยที่จำได้แม่นที่สุดก็คือเวสัสนดอนชาดกมีแค่นี้แหละเพราะเอามาแสดงกันบ่อยใช่ไ ามาสแสดงกันบ่อยพากัาไปเทศร้องกันโหเพือ่อเผื่อก็มีหางเครื่องประกอบก็ยิง <c oughs> เคยเห็นไหมเคยได้ดูไหมสแสดงก็ไปเสียเงินดูเวสตันดรมาเลยทา่าเคยไปดูไห ม, เ ค, ไหมเคยดูเวสตันดร์ไหมชาดกไหมเคยดูก็เทศเทศทํานองเทศแหล่เคยฟังไหมไม่เคยฟังหรลยในบรรดาชาดกห้าร้อยห้าสิชาติเนี่ย ชาดกเรื่องไหนจะเสื่อมก่อนออาเรื่องไหนจะเสืออเสอเส่อมก่อนเวสันตดอนชาดกทําไมต้งเสื่อมก่อนเพราะคนเอามาหาหกินกันเยอะเดี๋ยวต่อไปก็เสื่อมถเถอ ะ, ะนี่เป็นหลักการที่ว่าอย่างนั้นเลยนะในบรรดาชาดกทั้งหลายชาดกใดที่เอามาแสดงรอดโผลแสดงจนออกนอกเรื่องนอกราวออกทํามมาหากินกันมากชาดกนั้นเดี๋ยวก็เสื่อม คนก็ไม่ศรัทธาใช่ไหมท่านเกยียตดูที่เดี๋ยวนี้เริ่มไปแล้วนักร้องก็ไปแสดงกันนักดนตรีไปแสดงกันพระร่วมวงกันอะไรต่างๆเอ๊ะไม่ดีนี่พูดแค่นี้แหละเด <c oughs> ี๋ยวจะเป็นตำหนิคนอื่นจะเป็นบาปนี่พูดให้ฟังว่าจะต้องเสื่อมก่อนในบรรดาชาดกทั้งหลายแค่นั้นห้าร้อยห้าสิชาตินั้นไม่ใช่พุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาห้า้อยห้าสิบชาตินะ อุปม า, ามาเคยอุปมาหลายครั้งเนะยอมในโลกใบเนี้ยยอมว่าใหญ่ไหมแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่ใหญ่ไม่ใหญ่โอใหญ่มากเนาะเรายอมลองคิดดูไอไ ห, หินทรายเม็ดเล็กๆๆที่มารวมหลอมกันเป็นโลกใบเนี้ยจนมาหืมมาขนาดเนี้ยต้องใช้ทรายประมาณกี่เม็ดคํานวณได้ไหมไม่สามารถคํานวณได้แม้ฉันใด ฉะนั้นถ้าเราบรรจงหยิบเอาทรายแต่ละเม็ดขึ้นมาเนี่ยหยิบหยิบมา550เม็ดนั่นคือพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พทะเจ้าทรงหยิบเอามาเล่าให้พวกเราฟังส่วนเมล็ดทรายที่แปะเป็นโลกใบนี้อีกมากมายนับไม่ถ้วนไม่สามารถคํานวณ น, นับได้นั่นคือพระชาติทั้งหมดที่ทรงบําเพ็ญบา ร, รมีมาแล้วแต่ไม่ได้ทรงหยิบมาเป็นตัวอย่างให้เราได้รู้ได้เข้าใจแะนั้นพระเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีมาเยอะไหม นั้นกว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยโหน้ําตาก็เด็นไหลพบชาติไหมไหลายมากเออบางทีเราก็ได้ยินเนาะว่าพระพุทธเจ้าบําเพ็ญบา ร, รมีทรงบริจาคตาให้เป็นทานเนี่ยควักดวงตาให้เป็นทานอายอมเกิดมาในชาตินี้ยมเคยคิดไหมว่าฉันจะเอาตาคู่นี้บริจาคให้เป็นทานเคยไหมควักฉันจะควักตอนที่จะมีชีวิตอยู่นี่แหละให้เป็นทาน พระเจ้าควักดวงตาออกแจกให้เป็นทานเนี่ยมากกว่าดาวบนท้องฟ้าเยอะลองหลับตานึกหรือมีเวลาลองคิดดูโอ้โหทำไมขนาดนั้นนะการจะได้มาึงสัมมาสัมพุท ธ, ธาเนเลือดเลือดในสรีละที่ทรงกรีดเลือดออกไปหรือเอาเลือดออกให้เป็นทานเนี่ยมากกว่าน้าในมหาสมุทรทั้งสี่ ให้เลือดเป็นทานนะให้ศีรษะเป็นทานเนี่ยมากกว่าคุณเขาสินรรุคุณเขาสินรรุที่เป็นเม็ดเล็กๆๆๆหลอมรวมกันเป็นคุณเขาสินิรุควักหัวใจเป็นทานมากกว่ามะม่วงในในโลกใบนี้ยลกมะม่วงผลมะม่วงโอ้โหกว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสมัมพุทิยานต้องต้องทำเยอะไหม เออเนี่ยเราก็จะได้รู้จักพระพุทธเจ้าในแง่หนึ่งมุมหนึ่งเล็กๆเนี่ยนะเนี่ยพูดไม่หมดก็ยกอุปมาแบบเนี้เอาแนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าดังที่เป็นมาเรานั้นก่อนสำโพธียังไม่ได้ตัดสู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระพุทธเจ้าบอกเราก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานสตินี้แหละโดยมากเห็นไหมตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสู้ท่านอยู่ด้วยอะไร อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานสติสมาธินี่แหละโดยมากเอา้าเล่าในปัจจุบันนะพบตอนที่ท่านไปทำพิธีแลกนาขวัญจำได้ไหมตอนที่พระเจ้าสุดโทธนะพร้อมไปอยู่ระยิทำพิธีเสด็จมงังคันแลกนาขวัญเนี่ยตอนนั้นพระบริษัตอายุมากหรือยังยังเป็นเด็กอยู่นั่งประทรับที่ไหน ใต้ต้นว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตตอนนั้นท่านเจริญอะไรเจริญอาณาปานสติสมาธิพอเจริญแล้วไม่นานเลยท่านทําอะไรให้เกิดขึ้นทําปฐมฌานคือวิตกวิจารปิติสุขเอ ก, กะตายเกิดขึ้นโดยไม่ยากเลยท่านเจริญปุ๊บเนี่ยเกิดอัศจรรย์มากตอนนั้นน่ะเมื่อทําวิธีแรกนาขวาญเสร็จแล้วพระเจ้าสุดโทธนะเสด็จกลับมาเห็นความเป็นอัศจรรย์ ล่มตอนนั้นตะวันบ่ายคล้อยแล้วเนี่ยแต่ล่มของต้นว่าก็ไม่คล้อยไปตามแสงวอาทิตฐ์นั้นเลยยังอยู่ทําให้พระโพธิสัต์ได้รับความสงบนะได้รับความร่มเย็นจากล่มของต้นยอดต้นว่านั้นอันนี้เป็นความมหัศาจรรย์ที่ท่านเจริญอะไรอาณาปานาสติสมาธิและยามกฐมิชานเป็นต้นให้ตั้งขึ้นอันนี้แปลว่าแม้เป็นพระโพธิสัต์อยู่ท่านอยู่ด้วยอะไรเนี่ยอยู่ด้วยอะไร อาณาปานาสติสมาธิแล้วอยู่ต่อมาอยู่ต่อมาเอาพระท่านเจริญเติบโตมาต่อมาท่านเสด็จออกบวชเสด็จออกบรรพชาตอนนั้นพระบริษัทออกเสด็จออกบรรพชาบังเพนเนค ข, ขมานี่พระชนมายุเท่าไหร่ทาท่าจําไม่ได้จะเอาสามสิบเก้าหรือยีอ่บเก้าฮะใครยี่บเก้ายกมือใครสามสิบเก้า ใครนึกไม่ออกนั่งเฉยๆไว้ <c ười> สรุปแล้วยี่สิบเก้าพุทธิจ่าตัดสรุวายุเท่าไหร่โอ้โห oh, จำแม่นเลยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ <c ười> ใครเกินสามสิบห้าแล้วยกมือที่นี่ใครยังไม่ถึงสามสิบห้ายังเลยโอ้โหยังไม่ถึงสามสิบห้ามีโอกาสมีโอกาสกะว่าสามสิบห้าจะบรรลุอย่างที่พุทธเจ้าบรรลุไหม ตอนนั้นน่ะยี่สิบเก้าออกบวชกี่ปียี่สิบเก้าสามสิบส3มเอ5ดสามสามสามสสี่สามสสสามอ็ดสองสสามสี่สกี่ปีเนี่ยหกปีทำอะไรอยู่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญแต่ก่อนหน้าที่จะบำเพ็ญทุกขกรริปานี้พระพุทธเจ้าไปอยู่กับไปศึกษากับอรระดาบดและอุทธกะดาบด เดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังหน่อยไหมพวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนี้กันเท่าไหรน่นี่เดี๋ยวให้พระเล่าให้ฟังดีกว่าดีไหมเย่รู้ได้ไงว่าพวกเราไม่รู้อ่ะยังไม่เล่าตอนที่พระโพธิสัตว์ตอนนั้นเป็นพระเจ้าหรือยังตอนที่ไปศึกษากับอ拉ระดาบดตอนไปหาท่าน阿าระดาบดเนี่ย ท่าน阿าระด า, าบดอยู่ที่ไหนเห็นไหมทาท่าจากันไม่ได้นี่นึกแล้วอาระด า, าบดมีบริวารเท่าไหร่มีบริวารสามร้อยตอนนั้นท่านอยู่ที่แฟนวัชเชียอุทกาดาบดมีบริวารเจ็ดร้อยนะอยู่กรุงราชคลี เออเนี่ยเวลาท่านไปศึกษาไปที่阿ลดาบทเนี่ยตอนนั้นอนี่า阿拉拉บทได้อะไรได้ฌานหรือไม่ได้ได้ฌานสมาบัติไหมได้ฌานสมาบัติฉะนั้นเมื่อได้ฌานสมาบัติท่านก็ไปศึกษาเพราะใครก็กล่าวกันว่าเป็นพระละหันใช่ไมท่านก็เข้าไปศึกษาท่านก็เล่าเรื่องราวที่ท่านบนรรลุให้ฟังอ่ะ แล้วท่านได้ปฐมฌานยังไงทุติยฌานตัติยฌานเจตุลฌานได้อากาสานัญญายจตนาวิญญาอักกินเป็นต้นสรุปแล้วท่านได้สมาบัติเจได้เจได้รูปฌานสี่อารมูปฌานอีกสามสสมกับสี่รวมกันเป็นเป็นเจ็เขาเรียกสมาบัติเจท่านก็ไปถามว่าถามปุ๊บเนี่ยเพียงแค่ท่านอ拉ระดาบทพูดประโยคยังไม่ทันจบท่านคิดเร็วมาก ท่านก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยไม่ยากเลยเนี่ยมาพูดเมื่อันแล้วพูดเมื่อันแล้วแล้วมีได้อะไรบ้างไหมเนี่ยแสดงว่ายังปัญญายังไม่ได้ไม่ถึงว่าบริษัทธเนี่ยท น, นอาราลาดาบทเวลาท่านพูดท่านคิดยังไงถึงได้อเนี่ยทำไมท่านอาราลาดาบทจึงได้ปฐมฌานเพราะท่านมีอะไร ทำไมได้ทุติยชานได้ตติยชานได้เจตุลชานทำไมได้อากาศาได้วิญญาณนะได้อากิจเื่อทำไมถึงได้รูปสมารูปรูปสมาบัติปลบะชานสี่อารมบะชานสามทำไมท่านได้ท่านมีอะไรถึงได้อ๋อท่านมีศรัทธาใช่ไหมคนมีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมันถึงได้เชื่อเหตุเชื่อผลทำเหตุอย่างนี้ก็ได้ผลอย่างนี้เพราะมีศรัทธามีความเชื่อมั่นเอามีศรัทธาอย่างเดียวหรือเปล่าไม่มีความเพี้ยน เพราะท่านมีความบากบัน่นมีความแกล้งกล้ามีความอาหารรพท่านถึงได้อ๋อเพราะท่านมีสติไม่หลงหรือไม่ฟันเฟือนไม่เลือนหลงเอาสติกําหนดอยู่กับ ก, บกรรมฐานท่านก็ทําได้เพราะท่านมีสมาธิใช่ไหมมีความแนบแน่นมีความตั้งใจมัน่นและเพราะท่านมีปัญญาระดับชาญนะปัญญาท่านจึงสามารถทําสมาบัติเกตให้เกิดขึ้นได้พอคิดงี้ปุ๊บท่านย้อนกลับมาดูตัวเองปุ๊บเอ้า เราก็มีไม่ใช่แต่ท่านอาห ล, ล, ลาดาบทเราก็มีศรัทธาเราก็มีความเพียรเราก็มีสติเราก็มีสมาธิเราก็มีปัญญาดงนั้นถ้าท่านได้เราก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกฎความจริงเป็นธรรมชาติซึ่งมีอยู่กับทุกคนเราก็ฝึกให้เกิดขึ้นให้เหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นก็พร้อมก็แค่นี้เองท่านกระทาปุ๊เกิดขึ้นได้เลยเห็นไหมเราคิดแบบนี้ไหม สภาวธรรมเหล่านี้มันมีทุกคนไหมเอ่อมีไม่มีพวกเรามีศรัทธาไหมมีความเพียรไหมมีสติไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมแต่ทําไมจึงไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ให้อาหารมันเราก็เอาอาหารให้ไปสิอะไรคืออาหารของศรัทธาอะไรคืออาหารของความเพียรอะไรคืออาหารของสติอะไรคืออาหารของสมาธิอะไรคืออาหารของปัญญาก็บํารุงอาหารเหล่านั้นไปเขาก็จเจริญเติบโต เรามีกรารมาฉันทาไหมความติดใจฝ่กระสันมีไหมมีไม่มีเรามีพยาบาทไหมความหงุดหงิดความกโกรธเรามีความดหดหูท้อถอยไหมทีน้มิท้เรามีความฟุ้งซ่านลาคาญใจไหมเรามีความลังเลสงสัยไหมที่มันมีเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเราไปให้อาหารเขาไง เราไปเลี้ยงเขาเขาก็โตเขาก็เจริญเขาก็แข็งแรงสรุปแล้วก็คือว่ามันอยู่ที่เราจะให้อาหารของอะไรถ้าให้อาหารของอินซีห้าอินซีห้าก็เจริญให้อาหารของนิวรอนห้านิวรอนห้าก็เจริญใช่ไหมมูฟก็คิดอย่างนี้ได้เรื่องการทำชานยากไหม ย, ยากไม่ยากเฮ้ยอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิยากไม่ยาก ยากที่ไหนก็คนก็ได้กันใช่ไหมล่ะยอมยากไหม ย, ยอมเลี้ยนจบอะไรเลี้ยนจบอะไรจบพยาบาลเรียนพยาบาลยากไหมแล้วทำไมจบไม่ได้อะฮะทำไมถึงจบได้ะฮะวิรุญญาสาหะมันก็ไม่เห็นแล้ว แล้วคนทำไมไม่เป็นพยาบาลกันทั้งหมดเพราะเขาไม่คิดอย่างนั้นไงแต่ถ้าเขาคิดจะเป็นแล้วเขาจะเป็นได้ไหมเป็นได้ทุกคนไหมอ่ะเป็นได้ทุกคนถ้ามีความเพียรพยายามีความวิริยะอุสาหามีความตั้งใจจงใจก็เป็นได้พยาบาลไม่เห็นยากเลยใช่ไมมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เพียงว่าเราจะไปเพียรเรื่องอะไรใช่ไหมอ ย, ยอไมออไม่เชื่อพระเลยไม่เชื่อพระเจ้าเลย เนี่ยพุทธเจ้าตอนนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านต้องการบอกอะไรเราท่านต้องการบอกว่าไม่ใช่อ า, าลารดาบทเท่านั้นที่จะได้สมาบัตเจ็ดแม้ท่านก็ทําได้และท่านก็ทําได้อยงจริงด้วยแล้วต่อมาท่านก็ไปหาอุทกาดาบทอุทกาดาบทก็ได้แค่สมาบัตเจได้แค่เจ็ดแท่านทําไม่ได้เพราะแต่อาจารย์ของท่านอะได้แต่อาจารย์ตายไป ท่านก็บอกว่าเนี่ยแต่ท่านศึกษาแปดนั่นแหละแต่ท่านได้แค่เจดไอแปดไม่ได้สักทีว่าโหยศาสตร์ก็เล่าให้ฟังหน่อยที่แปอาจารย์ว่างไงพอพูดเสร็จปุ๊บบอกอ๋อมันเป็นแบบนี้ท่านก็เลยทําเลยแล้วท่านก็กลับไปสอนอุทกาศดาบดอดนี่ทำแบบนี้ถึงจะได้ต่อมาอุทกาศดาบดก็เลยได้แปดตามท่านเขายยังอยากรู้ประวัติของอุทกาศดาบทไหมเอ๊นี่อามาจะเล่าเรื่อง จะสอนในเรื่องฝึกให้เจริญอาณาบารณสติทั้งสองสำนักนี้ท่านไม่ได้เจริญอาณาบรรณนะกลุ่มนี้กลุ่มกระสินกลุ่มกระสินกลุ่มเพ่งกระสินนะโยนะทีนี้อุทกกาตาบทเนี่ยท่านมีลูกศิษย์อยู่ในราชคลือในยุคนั้นก่อนหน้านั้นเออพระราชาศรัทธาท่านมากนะท่านไม่ใช่มีแค่สมาบัตแปดอย่างเดียวเท่านั้นนะ ท่านยังสามารถเหาะได้ด้วยมีทั้งอิทธิวิธีที่ประจจโตปริยญาณเป็นต้นท่านท่านมีอภิน ญ, ญาห้าด้วยเหาะได้งั้นพระเจ้าปินก็นิมนต์ท่านก็มาทางอากาศฟึศปาฟึศกลับตลอดโอ้มาตลอดเลยมารับอาหารเสร็จก็เหาะกลับเหาะกลับนี่นะเออในยุคก่อนก็เป็นเรื่องปกติเลยนะยอมเชื่อ ยอมเชื่อว่ามนุษย์เหาะได้นี่มีไหมจริงๆเหาะมันไม่ยากนะยอมนะก็คิดดูดูเครื่องบินที่เขาทำมันยังลอยบนอากาศได้ใช่ไหมดูความสามารถของมนุษยนะ์เนี่ยยังสามารถเอาไปทําข้างนอกได้ถ้าใครฝึกฝึกได้มันก็ทําได้ไม่ยากนะแต่นี้ก็เหาะไปเหาะมาเหาะไปเหาะมามีอยู่วันหนึ่งเออลูกสาว เออไม่ใช่พระราชาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะประพาสป่าจะไปที่ไปที่ป่าแต่จะไม่ได้ดูแลพระก็เลยสั่งลูกสาวที่เป็นธิดาบอกว่าเออถ้าพ่อทํำยังไงก็ให้คอยดูแลพระของพ่ออย่างงั้นด้วยนะสั่งอย่างนั้ น, อ น, นพอไปเสร็จตออวันนั้นก็ดาบทนี่ไม้อีกแล้วพอมาเบสเสร็จเนี่ยลูกสาวก็ดูพ่อทุกวันนี่นะ พ่อทํำยังไงเวลาฤๅษีมาดาบทมาก็ต้องไปคอยอยู่บันไดพอฤๅษีเหาะมาลงที่บันไดปุ๊บก็พระราชาก็จูงแขนจูงแขนขึ้นอันนี้เหมือนกนรารลูกสาวก็มองดูก็เลยทําอย่างนั้นบ้างอพอฤๅษีเหาะมาลงตรนบันไดประสาทก็จับแขนฤๅษีเดินขึ้นฤๅษีก็ถูกอธิดาของทิดาสาวสวยเนี่ ย, ยจับแขน ขึ้นไปก็ไปนวดฟันด้วยเป็นยังไงอ่ะก็เกิดราคะหรือเกิดราคะจิตเกิดขึ้นดาบทนี่ก็ยังไม่รู้ตัวนะเกิดราคะเกิดขึ้นแล้วพอกินอาหารเบีดเสร็จปุ๊บอ๋อได้เวลาแล้วจะกลับแล้วเฮ้ยเข้าไม่ได้แล้วฌานเนี่ยเฮ้ยฌานหมดไปแล้วเนี่ยเข้าสมาธิไม่ได้โอ้ยฟุ้งซ่านกินตายเลยแต่เนี่ยหอยุ่งแล้ว ปฐมฌานทุเดียร์นเข้าไม่ได้เพราะอาราคะเห็นไหมเนี่ยไอตัวกามฉันท่าเนี่ยการมาชันท่พยาบาททีนะไม่ท้าทั้งหลายกลุ่มนี้เป็นตัวทําลายสมาธิเห็นไหมถ้ากลุ่มเหล่านี้มันขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ทําลายสมาธิพังหมดเลยทังไหมเนี่ยสมาธิพังไหมพังท่านก็เลยอุยอายเลยแต่เนี่ยเออจะไปบอกตรงๆว่าอุ้ยฌานของอาตมาเสื่อมแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วต้องบอกเอออาตมาเนี่ยไม่เคยเดินเลยว่างั้นนะ หลายสิบปีมาแล้วได้จะห่อไปหอกลับห่อไปหอกลับอยู่เนี่ยวังนั้นเนะ่ยเอออยากจะโปรดชาวบ้านเขาเมื่อโอ้ยทีดาของไอ์พระราชาดีใจใหญ่ให้ทหาปรประกาศบอกว่าโอ้ยท่านฤาษีจะเดินมาพวกเราได้ชมบุญบารมีได้ให้ทานจะได้กราบไหว้ท่านก็เดินกลับแต่ท่านเดินด้วยความสุขใจหรือทุกข์ใจเครียดหรือไม่เครีย ด, เ ค, ยดเครียดและเดินกลับแต่ท่านบอกว่า กลายเป็นนกปีกหักแล้วเดินเดินทุกข์ใจไปเลยนึกในใจโอ้โหมาไม่ได้แล้วอันตรายมากในเมืองนี้เข้าไปในป่าไปถึงที่อยู่ตัดโลกภายนอกเลยที น, นี้กลับไปฝึกจเจริญใหญ่เตเนี้ยได้ไม่ได้เอา้าไม่ได้รบกวนเะน่การมาชันท่าก็รบกวนอะไรก็รบกวนตลอดเวลาลำคาญไปหมดเลยเนะย เวลาอยากจะได้สังเกตดูนะไอ้ความอยากเนี่ยมันจะมีสองอยากนะอยากได้กับอยากทำลายในขณะที่ไปทำาเหมือนเหมือนพวกเราที่อยากเจริญอยากได้สมาธิอยากได้สมาธิมันเป็นตัณหานะเนี่ยอยากจัดอยากได้อยากได้จิตใจไปกระสันอยากจะทำอยากจะทำอยากจะทาไม่ได้เลยลำคานแม้กระทั่งเสียงนกร้องอ่ะนกร้องกับลำคาญเสียงสัตว์ร้องกับลาคาญไปนั่งที่ตังสะน้า รำคานแม้กระทั่งเสียงปลามันดีดน้ำอ่ะตุ่มๆในสาลำคาญเลยเกิดโทษาจิตพยาบาทจิตขึ้นมาบอกว่าบอกว่าในข้างหน้าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ประหลาดออมีตัวเนี่ยยาวสามพันลี้ปีกเนี่ยยาวข้างละพันห้าร้อยลี เ, ออเหมือนนกอ่ะ ตัวปาาเป็นเหมือนนกคือถ้าอยู่ในน้ําให้ลงน้ําให้จิกสัตว์พวกนี้กินให้เป็นอาหารงั้นถ้าอยู่บนบกให้จับสัตว์บกเป็นอาหาราเกิดอาฆาตเลยเลยอุทานไม่ได้พยาบาทในใจเขาใหญ่อย่างเลยไปตั้งจิตอย่างนั้นพอสักพักหนึ่งผ่านไปเจ็ดวันสิบวันยี่เป็นเดือนก็สงบนะเริ่มสงบท่านก็เริ่มและลึกถึงอดีตตัวเองแล้วก็ทําทํากลับได้ฌานสมาบัติอย่างเก่า ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ออกมาจากป่ากเลยตอนนี้ยตอนที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุจําได้ไหมได้ตัดสั้ปุ๊บพระพุทธเจ้าคิดถึงอ拉ระดาบดและอุทกาดาบดพระพุทธเจ้าใช้คําว่ามหาชนิโยแปลว่าอะไรแปลว่าเสื่อมใหญ่วิบัติใหญ่แล้วแปลว่าอะไรเนี่ยอุธกาดาบดตายแล้วจะไปเกิด อยู่ในเนวะสัญญานาสัญญาเยตนพรมอายุแปด0มืนสี่พันมหากรแปด4ม0 0สี่พันมหากรไม่ได้บรรลุด้วยนะเนี่ยกลับจากนั้นแล้วมาเวียนว่ายในสังสารวัฏจะมาเกิดเป็นสัตว์ประหลาดเนี่ยแล้วก็จิกสัตว์กินเป็นอาหารจะทำบาปทำกรรมโอกาสบรรลุยังไม่เข้ามาในขขย่พยานเลยลองคิดดูสิเสื่อมไหมวิบัติไหม ท่านใช้คาว่าฉิบหายวิบัติใหญ่แล้วน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวความมาคาดไหมเราเคยฟังเรื่องนี้ไหมนี่ไงฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตอนนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์อุทธกาดาบทและลาลาลาบทอุทธกาดาบทชวนท่านบอกให้อยู่ด้วยกันช่วยกันสอนท่านก็เป็นอาจารย์เหมือนกันเถอะเราจะบูชาท่าน จะเคารพจำนับถือช่วยกันเผยแผ่คำสอนเหล่านี้ลัทธิเหล่านี้การปฏิบัติแบบนี้ให้แพร่หลายทั่วชมพูทวีปพุทธเจ้าบอกไม่เอาลอกเพราะการกระทําของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อการตัดสู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งไม่เป็นไปเพื่อปรินธิพาลแต่เป็นไปเพื่อเนวะสัญญาณนะสัญญายาตนาภพ มันไปเพราะเกิดอีกไงมันไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็เลยไม่เอาท่านก็เลยหลีกนี้ออกมาเข้าใจยังพอเข้าใจไหมเนี่ยแล้วต่อมาท่านก็ไปบรรพณทุกรกริยาเมื่อบรรพณทุกรกริยาเบียเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยท่านก็มาดํมบิคว่านี้ไม่ใช่หนท า, างการตรัสรู้แน่ ท่านก็นมาพิจารณาเลยว่าเออการกา ร, การทรมานตนเองการทำตนเองให้ลำบากการบำเพ็ญทุกการกิยาทั้งหลายการปฏิบัติที่มีอยู่ในชมพูทวีปั้งหลายไม่ใช่แล้วท่านก็นเลย ล, ลึกไปถึงตอนที่ท่านเป็นเด็กตอนที่ท่านเจริญอาณาปานาสติสมาธินี่เข้ามาแล้วนะนี่ย้อนกลับไปที่อดีตแล้วว่าท่านก็นพิจารณาว่าชลอยว่า อาณาปานาสติสมาธิที่ตนเองเคยฝึกมาได้ตอนสมัยเป็นเด็กนี่แหละจะเป็นช่องทางเป็นหนทางใการตัดสรุปสัมมาสัมปวิยานแต่การที่จะทําฌานสมาบัตเหล่านี้ให้เกิดขึ้นด้วยร่างกายที่ผายผอมเหล่าเนี้ไม่สมควรท่านเลยกลับไปบริโภคอาหารอย่างเก่าเข้าใจยังไปบริโภคอาหารเป็นบินทบาตจนทําร่างกายให้แข็งแรงจนบริบูรณ์พอสมควรในระดับหนึ่งแล้วท่านก็นั่นแหละ แล้วก็นในส่วนจริงท่านก็นมาที่บริเวณโพที่มณฑนนั่นแหละรับข้าวบรรทุปายาตเบียเศ็จแล้วท่านก็นไปนั่งประทับตัดสรุปที่ใต้ต้นพระศีมหาโพธิสรุปแล้วตรงนี้เห็นไหมอาณาปณะสติท่านทํามาก่อนหลังจากนั้นหลังจากที่สุขภาพท่านแข็งแรงเบีเศ็จแล้วท่านก็นมาฝึกเจริญอะไรเจริญอาณาปณะสติแล้วกรรมาฐานอื่นทั้งหมดแต่เอาอะไรเป็นประธาน อาณาปานสติสมาธินี่เดี๋เป็นประธานแล้วก็เดินสู่กรรมฐานอื่นทั้งหมดและท่านทําฌานสมาบัติเกิดขึ้นแล้วก็ทําอภิญญาทั้ง5เกิดขึ้นด้วยสรุปแล้วพระเจ้าได้สมาบัติได้พิญญาก่อนแล้วต่อมาก็ใช้ฐานตัวนี้แหละมาเป็นปัจจัยต่อการแทงตลอดทีนี้พระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังที่เป็นมาเรานั้นก่อนสำปโธทีเมื่อยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ เราก็อยู่ได้วิหารธรรมคืออาณาปานสติสมาธินี่แหละโดยมากนี่เป็น ข, ข้อยืนยันว่าก่อนตัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยอาณาปานสติสมาธิมากไม่ใช่น้อยเลยฝึกอาณาปานสติจนชำนิชำนาญจนเป็นว ส, สีคล่องแคล่วจะเข้าเมื่อไรก็ได้เมื่อเรานั้นเป็นอยู่ได้วิหารธรรมนี้โดยมากกายก็ไม่เมื่อยนี่เอาใครใครเมื่อยตามร่างกายบังยกมือที่ เมื่อยเนี่ยแสดงไม่เจริญอาณาปณะสติถ้าเจริญแล้วจะไม่เมื่อยพุทธเจ้ายืนยันไว้ไงเนี่ยกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยล้าไหมล้าที่ตาไหมสรุปแล้วถ้าปราถนาพุทธเจ้าบอกว่าแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะวิชาสวะทั้งหลายด้วยไม่ถือมัน่นเพราะฉะนั้นแลภิสูทั้งหลายหากภิสูหวังว่า เพราะฉะนั้นแลพิกษุนีทั้งหลายหากพิกษุนีหวังว่าเพราะฉะนั้นแลอุบาสกทั้งหลายหากอุบาสกหวังว่าเพราะฉะนั้นแลอุบาสิกาทั้งหลายหากอุบาสิกาหวังว่ากายของเราก็จะไม่พึงเมื่อยตาก็ไม่พึงเหนื่อยจิตของเราก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายโดยไม่ถือมัน่นก็ขอให้เธอพึงมนสิการใส่ใจในอาณาปานสติสมาธินี่แลให้มาก นี่ไปก่าวไว้ในคำภีสั่งยุตสนใจไหมเลาพวกขี้เมื่อยทั้งหลายต่อไปจะไม่ต้องใช้หมอนวดเพราะกายไม่เมื่อยเนี่ยตาไม่เหนื่อยอ่ะใช่ไหมเห็นตอนเช้าเห็นออกกําลังกายกันอึดอัดอึดอัดนย่าสแสดงว่าเมื่อยจัดเลยท่าใช่ไหมงั้นถ้าจเจริญอนนาณาปณสติจะเมื่อยไหมเมื่อยไม่เมื่อยเมื่อยไม่เมื่อย ต้องยืนยันที่พระพุทธเจ้าบอกไม่เมื่อยกายไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะได้สมอย่างเลยไหมหนึ่งกายไม่เมื่อยสองตาก็ไม่เหนื่อยไม่ล้าเส้นเอ็นทั้งหลายก็จะไม่ตึงและจิตก็จะหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากกามาสวะอาสวะคือกามหลุดพ้นจากภาวาสวะอาสวะคือพบ หลุดพ้นจากทิฏฐาสะวะอาสะวะคือความเห็นผิดหลุดพ้นจากอาวิชชาสะวะอาสะวะคือความหลงความโง่เอาต้องการไหมอานาปนาสติทําให้กายไม่กายไม่อะไรกายไม่เมื่อยตาไ ม, ไม่เหนื่อยจิตหลุดพ้นจากอาสะวะท่องเอาไว้ใสามประโยคสามคำนี้เฮ้ยฉันต้องเจริญอานาปนาสติเมื่อเจริญแล้วตาคืกายก็ไม่เมื่อย ตาก็ไม่เหนื่อยจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะพระพุทธเจ้าบอกไว้พระพุทธเจ้าบอกไว้พระพุทธเจ้าบอกไว้ท่องไว้เงี้ยได้ไหมได้ไม่ได้งั้นเจริญอาณาปณะสติกายไม่อะไรกายอะไรนะกายไม่เมื่อยตอนนี้เมื่อยไหมแสดงว่าอาณาปณะสติไม่ได้เจริญเนี่ยถ้าเจริญจะไม่เมื่อยเลยเนี่ยตาก็ไม่จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะมีกี่อย่าง หนึ่งกามาสวะอา ส, ะ ว, ะอาสะวะคือกามติดข้องในกามหลงไหลในกามสองพวาสะวะอาสะวะคือพบติดข้องในขันในพบสามทิฏฐาสะวะอาสะวะคือทิฏฐิสี่อวิชชาสะวะอาสะวะคือความไม่รู้ความความหลงความโง่ <c oughs> เหนื่อยไหมยองเมื่อยไหม <c oughs> เมื่อยหรือเปล่า เมือม่อยเมืออ่อเมื่อยอาลองจะเริยนอาณาปณะที่จะหายเมือม่อยไหมลองดูไหมเอมน่พูดมากี่ชั่วโมงแล้วฮะยังไม่ถึงเลยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเอ ง, งชั่วโมงครึ่งทําท่าเมื่อยแล้วเดี๋ยวเอาอีกนิดนึงพูดอาณาปณะหให้จบก่อนดีไหมดีไม่ดี บังคับหรือเปล่าไม่บังคับพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภัยสนที่อิชานังคะระที่คัมภีร์ทงยุศเนี่ยนะใกล้กลับอิช า, น, าะ น, ะนังคะระนครณที่นั้นแลพระพุทธเจ้าสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเล้นอยู่ตลอดไตรมาสยอมไตรมาส ก, กี่เดือน มาสาแปลวฝนเนาะไตรแปลวาสามสามฝนได้ไงไม่ใช่ไตรามาสในที่นั้นก็คืออกิดจริงสามเดือนเนี่ยช่วงฝนตกอนะฝนตกเนีสามเดือนช่วงเข้าเข้าภาษากี่เดือนนะเออเนี่ยช่วงนี้แหละพระเจ้าต้องการจำํำรรษาตลอดไตรามาสสามเดือนนี้แหละพระเจ้าว่าใครๆไม่พึงเข้าไปหาเรา คือพระเจ้าจะไม่รับแขกสามเดือนเว้นแต่ภิกษุที่นํนาบิณฑบาตรรูปเดียวคือก็จะมีภิกษุนําอาหารบิณฑบาตรไปถวายทุกวันเออเฉพาะภิกษุรูปนี้เท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็จําพรรษาอยู่สามเดือนอยู่สามเดือนเลยนะสามเดือนนี่กี่วันนะสามเดือนกี่วันวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงยีิบสี่ชั่วโมงใช่ไหม ถ้าสามเดือนกี่ชั่วโมงทําท่านึกยากแล้ว <laughs> ทําท่านึกยากแล้วเอากี่ชั่วโมงเ <laughs> ท่าไร <laughs> บางคนไม่นึกหรอกขี้เกียจคิดบัวทัวตกลงกี่ชั่วโมงสองพันเท่าไหร่สองพันเท่าไหร่ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบชั่วโมงถูกแน่นะรับรองว่าพระเจ้าก็บอกว่าใหพระเจ้าอยูอ่สามเดือนนะสามเดือนพอออกพรรษาแล้วออกจากที่หลีกเล้นก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายบอกว่าภิกษุทั้งหลายหากอัญญะดิรถีปริภาชก แปลว่าหากคนที่ไม่นับถือพระพุทธเจา้าหากคนที่ไม่ได้เป็นไม่ไม่เข้ามาสู่ระบบของอริยชนทั้งหลายเขาจะถามเขาจะถามว่าพระสมณาโคโดมอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมอะไรโดยมากเห็นไหมสังเกตด้วยนะเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วให้ชี้แจงแกอัญญาเดรธีปริภาชกเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาด้วยอาณาปานาสติสมาธินี้โดยมากชัดไหมแปลว่าอะไรทุกวันพุทธเจ้าจเจริญอะไรเข้าพรรษาจำพรรษาอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยอาณาปานาสติสมาธินี้โดยมากโอ้โหแล้วพรรษานี้ล่ะเราอยู่ด้วย อยู่ด้วยกรรมฐานอะไรอจํารรษาด้วยอะไรเนี่ยพระเจ้าจําภรษาด้วยอะไรนะบอกว่าท่านผู้มีอายุพระพุทธเจ้านั้นทรงประทับจําภรษาด้วยอาณาปานาสติสมาธิเอ้าพวกเราเนี่ช่วงภรษานี่เราประทับหรือเราอยู่รรษาจํารรษาด้วยอะไรด้วยอะไรเนี่ย ด้วยกามวิตกคิดเรื่องกามื่เรื่อยเลยด้วยพยาบาทวิตกคิดเรื่องพยาบาทด้วยวิหิงสาวิตกคิดด้วยการคิดเบียดเบียนเป็นไหมหรือจำภาษาด้วยอาณาปณนะเอ้ยเหลือเหลือกี่เดือนยะออกภาษาเนี่ยแหลือกี่เดือนสมาทานได้ไหมว่าภรษานี้จะเจริญอนาณาปณะสติทุกวันได้ไหมเอาเลยเอาแต่วันนี้เลยเนาะ ดีไหมเอาแล้วสมาทานเลยโยตั้งใจว่าฉันจะอยู่ด้วยอาณาบานสติสมาธินี่แหละจะจำภาษาด้วยอาณาบานสติสมาธิเดินตามรอยบาทพระศาสดาชื่นใจนะทีนี้มีปัญหาว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะจําำรรษาด้วยอาณาบานสติกี่ชั่วโมง <c oughs> เอากี่ชั่วโมงดิเอาเริ่มต้นดิเท่าไหรด่ดิเอาสักวันหนึ่งวิกี่ชั่วโมงนะ เอาจะดูรลมวันละกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงยี่บสี่ดูสองชั่วโมงเองแล้วอีกยี่สิบสองชั่วโมงเอาไปทําอะไรฮะโอ้ oh, สองชั่วโมงเอางี้ไดไหมเอาสักวันละสองบรรลังได้ไหมบรรลังหนึ่งกี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งได้ไหมวันละวันละสองบัรลังบรรลังละชั่วโมงครึ่ง ได้ไหมบรลลังแล้วชั่วโมงครึ่งยงแป๊บเดียวก็หมดแล้วตื่นตีสามนั่งออะตื่นตีสี่ก็ได้ตีสี่นั่งตั้งแต่ตีสี่ใช่ไหมตีสี่ห้าห้าครึ่งก็โอเคนะได้ตอนเย็นก่อนนอนอีกแลนอนกี่โมงกี่ทุ่มนอนสามทุ่มเราก็นั่งตั้งแต่สองทุ่มเอาสามุมครึ่งเ ได้ไหมก็แค่นี้เองง่ายนิดเดียวหรือนั่งสามทุ่มก็ได้นั่นไปสี่ทุ่มครึ่งได้ไม่ได้วันละสองบรรลังถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสาัมมาสัมพุทธเจ้าเอาแบบมีคุณภาพนะไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วนั่งหลับไม่เอาให้มีสติสัมปชัญญะติดต่อกับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั่งเก็บอริยทรัพย์ใช่ไหม เออแปลกทำไมไม่กระตือรือร้นจะเป็นฉันโอ้โหนี่ใครมาบอกอย่างนี้ฉันทําทันทีเลยเนี่ยทอทอทอแปลว่าอะไรเออทําทันทีเ อ, อมีปัญหาอะไรไหมมีไห ม, มเราเย็นกันหน่อยดีไหมลองเยืนกันหน่อยเยืนคลายคลายเส้นกันนะอยเย็น เยินกำหนดดูลมก็ได้นดูลมเมื่อวานนี้บอกให้ระบบหายใจเนาะหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็เป่าออกทางปากแล้วทำอย่างนี้ก่อนสักสิบครั้งแล้วค่อยดูลมตามปกตินะมือวางที่เหมาะสมระวางตรงไหนก็ได้ถ้าวางหน้าอกก็ได้นะหรือไม่อย่างนั้นก็วางที่ธรรมดาก็ได้แล้วแต่ที่มันเหมาะสมที่เราดูแล้วมันถนัดสำหรับเรา หายใจเข้าให้สุดเลยนะหายใจเข้าสุดให้มีความสุขเลยนะในการหายใจเข้าหายใจเข้าไ้สติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีเนี่ยความรู้ตัวทั้งหลายก็ดีก็รู้ที่ลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าลมออกทางปาก ก่อนที่จะเจริญอนาปานสติบางทีร่างกายมันคะมันยังเครียดอยู่เนาะมันมีความตึงบ้างความเมื่อยปวดบ้างตามร่างกายตั้งแต่ศีรษะไหลเอยหน้าอกเอยคอเอยหลังเอยนี่แหละการมีอัตภาพเนี่ยเป็นแบบนี้แหละการมีอัตภาพเนี่ยมัน ต้องประครบประครบประคบประงมต้องดูแลอะไรเยอะแยะว่าเลยเนะนับด้วยนะได้ถึงสิบหรื อ, อยังถ้าครบสิบเมื่อไหร่แล้วก็จึงค่อยมาดูลมหายใจเข้าออกตามปกติฉ น, นเวลาเรายืนแบบสงบเนี่ยใครสังเกตดูนะว่า จริงๆลมในร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายประเภทนะลมที่พัดขึ้นเบื้องบนนะที่ทำให้ปวดเสียนเวียนศรีรษะเนี่ยหูอื้อลมที่พัดลงเบื้องต่ำทำให้ขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระลมในช่องท้องนะลมในช่องท้องก็มีลมในลำไส้ก็มีเนี่ยมันก็จะพัดผันทำให้ท้องอีกอย่างก็คือลมที่ พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ที่เราสามารถขยับมือขยับเท้าขยับศีรษะหมุนตัวไปซ้ายขวาเดินเหินได้เนี่ยอันนี้คือ ล, ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่เป็นไปตามเจตจำนงบ้างไม่เป็นไปตามเจตจำนงบ้างส่วนลมอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นกรรมฐานที่เรากําลังจะใส่ใจกันอยู่เนี่ยคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออก มีอยู่แปลนปกติตลอดเวลาเลยนะแท้ที่จริงเนี่ยถ้าเรามามองดูแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยคือลมเนี่ยเราลืมคิดไปเลยนะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยแท้ที่จริงไอ้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสําคัญที่สุดของชีวิตบางทีอาหารเนี่ยวันหนึ่งเรายังกินแค่2ครั้ง3ครั้งแค่นั้นแหละอยู่ได้แล้ว แต่ลมหายใจเนี่ยเข้าออกตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลยหยุดไม่ได้เลยเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นกายสังขารเป็นตัวปรุงแต่งกายทำให้กายนี้เป็นไปได้เออฉะนั้นเวลาเราได้มีโอกาสมายืนมาเดินมานั่งแล้วก็ได้มาดูลมเนี่ยโอ้จริงเป็นบรรยากาศเป็นเป็นสภาพที่น่าจะดีที่สุด มีความสุขที่สุดสดชื่นที่สุดแล้วก็ให้ความปลาโมดได้ดีที่สุดเพราะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยสคัญที่สุดในการที่เป็นตัวปรุงแต่งร่างกายทำให้ร่างกายทาให้ชีวิตดาเนินไปได้ทำให้กระแสชีวิตดาเนินไปอยู่ได้เออลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจริงสาคัญ ได้ยืนหายใจเข้าหายใจออกมันจึงเป็นความสุขสดชื่นที่สุดนะเพียงแต่เรากลับไม่เห็นความสำคัญของเขาแค่นั้นเองฉะนั้นถ้ามานึกถึงว่าพระบรมศาสดามีพระปรีชาญาณมากด้วยสัพพัญญตยานของพระองค์พระองค์รู้เลยนะว่าอุปกรณ์ที่จะสามารถใช้ฝึกในการที่ทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ดีที่สุดและเป็นกรรมฐานหมวดแรกในสติปัฏฐานด้วยก็คืออาณาปณะบัพพะเป็นหมวดที่หนึ่ง เ, เป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวงด้วยและพระพุทธเจ้าก็กาวสารเสริญไว้มากฉะนั้นเวลากำหนดลมหายใจเข้าออกให้ชื่นใจนะว่านี่เป็น แต่ฐาคตวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นอริยวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรมเป็นพรมวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐมีพรมทั้งหลายแล้วก็พระพุทธเจ้าสรเสสนไว้ต่างที่ต่างวาระมากมายเหลือเกินเอาละถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้จะได้เกิดความทราบซึ้งเกิดความเชื่อมั่นว่า ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่แล้วเราืนดูลมและลึกรู้ลมที่เข้าและลมที่ออกแท้จริงมันคือความรู้สึกนะลมหายใจเข้าก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้หายใจเข้าลมหายใจออกก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้หายใจออกไม่ใช่ตั้งใจที่จะหายใจเข้าไม่ใช่ตั้งใจที่จะหายใจออกมันเข้ามันออกตาม ปกติของเขาอยู่แล้วแต่เราก็เลยเอาลมนี่แหละ <c oughs> เป็นที่ตั้งของสติให้สติได้มีที่ตั้งให้สติได้มีที่จับสติก็มาจับมายึดที่ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกถ้าเข้าใจเห็นชัดอย่างนี้ก็ในขณะเดียวกันก็คืออ๋อมันน่าภูมิใจนะที่เรายังได้หายใจ มองบอกว่าชีวิตของเรามันยังดำเนินไปอยู่ถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่ากระแสะชีวิตมันหยุดดำเนินนะก็แปลว่าตายนั้นตอนนี้จงยังปราโมดคุยความปราบปลื้มความล่าเริงพ่องใสให้เกิดขึ้นให้มีความดีใจนะว่เาเออเราได้หายใจแล้วไม่ใช่หายใจทิ้งด้วยอุปกรณ์คือการหายใจกับกายเป็นที่ตั้งของการเจริญสติ เป็นที่ตั้งของการเจริญสมาธิเป็นที่ตั้งของการเจริญความเพียรและเป็นที่ตั้งของการเจริญปัญญาด้วยอ๋อตอนนี้เราจะทําศีลสมาธิปัญญาให้เจริญด้วยการดูลมเข้าแล้วออกอ๋อแท้จริงเรามีอุปกรณ์ในการดูลมอยู่แล้วลมมีอยู่ใช่ไหมสติสมาธิความเพียรเป็นต้นก็มีอยู่ดงนั้นเรายืนแล้วก็กําหนด แล้วก็ใส่ใจมนาสิการ์ยังติดต่ออย่างต่อเนื่องแทนที่เราจะไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ปล่อยให้เราเนี่ยมีสติของเราเน่ยมีกําลังมีที่ตั้งในการที่จะระลึกเห็นไหมแท้จริงการเจริญอาณาพนสติมันเรื่องความรู้สึกเนีแต่บางคนไม่สามารถที่จะตั้งความรู้สึกในการหายใจเข้าหายใจออกนะ าต่อไปค่อยๆนั่งลงนะเดี๋ยวเรานั่งนั่งลงกับที่อาสนะนั่งนั่งนั่งในท่าที่เหมาะสมแล้วก็กำหนดต่อลองสักระยะหนึ่งนะคนอาจจะบางคนอาจจะนั่งคัสมสะสดกบางคนก็อาจจะนั่งพับเทียบสะดวกนะก็ก็ไม่เป็นไร เอาท่าที่เหมาะสมแล้วก็ให้ผ่อนคลายที่สุดนะให้ผ่อนคลายที่สุดดูท่าที่ผ่อนคลายแล้วก็มานาสิการใส่ใจนะวางทุกอย่างดังที่ได้กล่าวว่าแท้ที่จริงเนี่ย บางครั้งเนะี่ยชีวิตที่เป็นอิสระเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งโล่งเป็นเสรีภาพไม่ต้องไปขึ้นตรงต่อใครนะแต่ตอนนี้เป็นวาระที่เราปรารถนาที่จะวางทุกอย่างเราเชื่อไหมว่าบางอย่างที่เราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราแท้ที่จริงมันไม่ได้เป็นหรอก แต่จิตของเราพยายามไปยื้อไปยึดฉะนั้นก็นั่งให้สงบเอาละเราจะนั่งพักผ่อนเพราะการเจริญอานาปณสติเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดดีที่สุ ด, ด, สด <c oughs> เหมือนให้สังเกตตัวเราไปนั่งอยู่ชายทะเลเป็นนั่งอยู่ที่ป่าเขาที่ลมพัดสบายเย็นสบายเนี่ย เราไม่เคยไปนั่งหลับเนะตอนนั้นรู้สึกมีความสุขที่เราได้ส่งจิตไปดูคลื่นลมไปดูคลื่นในทะเลที่มันเดอะวสูงเดี๋ยวต่าเ๋ยวสูงเดียเดยเด๋ยวต่ำเนี่ยการเจริญอาณาปณะสติเหมือนกันเล ย, เยลมหายใจเข้าและวลมหายใจออกก็เหมือนคลื่นนั่นแหละมันเป็นใจ ต, ตามธรรมชาติเดียวยาวบ้างเดี๋ยวสั้นบ้างตามปกติเดี๋ยวเร็วบ้างเดี๋ยวช้าบ้าง เออเราไม่ต้องไปลุ้นว่าขอให้ขึ้นมันยาวสูงให้ขึ้นมันเตี้ยเตี้ยต่ำๆ่ให้ขึ้นมันแรงหรือช้าไม่ต้องไปกำหนดอย่างนั้นหรอกแต่ดูตามที่มันเป็นนี่แล้วก็ให้มีความสุขให้มีความสงบให้มีปราโมดหายใจเข้าจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออก ให้มันสุกมาจากข้างในจริงๆนะให้มันสุกออกจากข้างในจริงๆให้มันช่ำชื่นใจจากข้างในจริงๆให้จิตเบิกบานล่าเริงผ่องใสก็ตอนนี้เรากำลังทำความดีไม่ล่าเริงเลยไงตอนนี้เรากำลังเดินตามรอยบาพรศา ส, สดาใช่เออตามรอยเท้าของพ่อ เราก็เห็นว่าอ๋อแต่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ได้ความสงบอย่างนี้นี่แหละเบื้องต้นฝึกฝนแบบนี้นี่แหละเราเห็นล่องรอยของพระพุทธเจ้านิดๆหน่อยๆแล้วเห็นแนวทางเห็นเส้นทางแล้วก็ชื่นใจเบิกบานใจล่าเริงใจสุขใจนะเข้านะเข้ามันจะผ่อนคลายสงบเออพุทธเจ้าบอกว่ากายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อย จิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยการเจริญอาณาปณะนีน่เอาละลำดับแรกเชื่อเชื่อมั่นปัญญาตัรโธของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลที่เราเคารพนับถือและเราจะเดินตามรอยบาทพระศ า, าสดานั้นให้ได้เกิดความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว ก็ตั้งใจคำว่าตั้งใจในที่นี้ไม่ใช่ไปเกรงนะแต่ผ่อนคลายมีความสุขมีความปลาโมดมีปีติมีความผ่อนคลายหายใจเข้ากายก็ผ่อนคลายใจก็ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกจิตก็เบิกบานหายใจเข้าจิตก็โปร่งเบาหายใจออกรู้ว่าขณะ น, นี้หายใจเข้ารู้ว่าขณะ น, นี้หายใจออก ก็รู้ลมเข้ารูล้ลมออกให้สังเกตตัวนี้นว่าถ้าจิตสงบเนี่ยกายก็จะไม่หวันไหวแต่ถ้าหากว่าจิตยังวกแวกอยู่เนี่ยกายก็จะมีการสั่นไหวไปตามอาการที่จิตถ้ามันเกิดจะง่วงเอ้ยจะซึมเศร้าง่อยๆก็ประคองประคองจิตไว้ยกจิตไว้ไม่ให้หลับ ไม่ให้หลับเราต้องการบูชาพระุทธเจ้าโดยกุศลเนี่ย น, นะบูชาโดยกุศลและจิตนั้นให้ตั้งใจฝึกให้เกิดความชำนาญ น, นั้นใหม่ๆเนี่ยสติก็ดึงไว้กำกับไว้กำกับจิตไว้กับลมเข้าและออก ถึงมันจะหลุดไปทั้งอื่นก็ไม่เป็นไรก็ให้มีความสุขแต่การที่หมั่นมาดูลมหมั่นระลึกถึงลมว่าขณะนี้ลมหายใจเข้ารู้สึกว่าหายใจเข้ารู้สึกว่าลมหายใจออกหายใจออกมันยังไม่เห็นลมก็มเห็นเป็นไรเลยแต่มีความรู้สึกอยู่ว่าตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกถึงไม่เห็นลมก็ยังไม่เป็นไรใช่ไหม